อนุโมทนานะเวลาเห็นใครเนี่ยสนใจธรรมะของพระพุทธเจ้ามันเบิกบานใจเพราะมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจของแต่ละคนมันมีคุณค่าต่อจิตใจของสัตว์โลกไม่ว่าเทวดาหรือมนุษย์พลมก็ตามแม้แต่สัตว์นรกเปรตสัตสุรกายสัตว์เดรัจฉานพวกนี้ที่มาเวียนว่ายตายเกิดกันอย่าก็เพราะว่าเนี่ย มันอยู่กับธรรมะมากหรือน้อยถ้าธรรมะมากทำถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าใครอยากจะเจริญขึ้นอยากดีขึ้นเชื่อตามพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีมาให้บา ร, รมีเนี่ยไอ้บุญเนี่ยมันมีอานุภาพมากมันทําให้จิตของคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละ เปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาขึ้นได้อย่างพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนพระองค์ก็เป็นคนนี่แหละต่อมาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้มันได้อะไรอะ่ะแน่มันก็เริ่มคิดได้ก่อนเพื่อนคิดได้โอ้เราเนี่ยปรารถนาที่จะหาทางออกให้เจ็จิตใจของสัตว์ทั้งหลายจะดีกว่าเมื่อเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยมันมันได้อะไรขึ้นมา ก็อย่างตอนนี้ถ้าเรามองดูตัวเราเนี่ยทุกคนก็ยอมรับว่าจะต้องตายตายแล้วก็ยอมรับว่ามันเอาอะไรไปไม่ได้ไอ้ร่างกายเนี่ยเอตายไปมึงมันมันก็ต้องไปทิ้งไปอ่ะเผาไฟมันก็เหลือแต่เท่าฐานไปฝังหรือมันสลายไปเป็นดินนะมันไม่ได้เหลืออะไรอยู่จริงไงนี่มันความจริงเนี่ยถ้าใครยอมรับความจริงได้เบาแล้วนะ่เนี่ยโอ้เดี๋ยวเราก็ตายแล้วเนาะไอ้ใจที่มันดิ้นรนมันน่าจะยุบย่อกลงไปนะถ้ามันยังไม่ยุบย่อก็ ย้ำก้าไปสิตายเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยถามตัวเองว่าอายุเท่าไหร่แล้วเดียเ๋ยวนียอายุเท่าไหร่แล้วอีกกี่ปีถ้าถามธรรมดามันไม่สรดนะมึงเหลืออายุอีกกี่ปีมึงนะอีกกี่ปีเดี๋ยวตายแล้วใช่ไหมใช่ไหมยำ้ำกันไปเอาให้จิตมันยอมรับเนี่ยไอ้ที่มันอาศัยอยู่เนี่ยที่มันหลงยึด เนียวแน่นเป็นตัวเป็นตนต้องหาอนุ น, นมาบำรุงบับเลออะไรอร่อยเอามาเสพเอามาเซวยอะไรนุ่มนิ่มอะไรที่มันจะคิดว่าตัวเองทำให้เรามีความสุขเอามาเอามากระทบทางเนื้อทางหนังกระทบตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างเพื่ออะไรเพื่อให้ใจมีความสุขเรื่องราวทั้งหลายก็มากระทบใจหวังใจะให้ตัวเองมีความสุขแต่สุดท้ายก็ต้องตาย ไม่ได้มีอะไรเหลืออยู่เลยแล้วบางทีที่หวังว่าจะเป็นสุขก็ไม่ได้สุขจริงด้วยแทนที่จะเป็นสุขทุกข์ทุกแล้วทุกข์อีกเหลือว่าตัวจิตของเราเองเนี่ยมันมีความหลงอยู่ในนั้นนะโอ้โหตัวหลงนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะเวลาไอ้ความหลงมันหายไปนี่แม่มันรู้เลยว่าไอ้ตัวหลงนี่มันสุดยอดมันหลอกลวงสัตว์โลกให้ลุ่มหลงตามมันแต่มันจะบอกว่าทาเพื่อเรา ความหลงเนี่ยมันหลงว่ามีตัวตนแล้วมันก็นหลอกว่าทําอย่างงี้สิเราจะมีความสุขทางี้สิเราดึงจะดีทําำงี้สิเรามีชื่อมีเสียงเราทํางี้สิคนเขาเคารพนับถือทำได้งี้สิเราล่ําเรารวยเราสุขเราสบายทําอย่างนั้นสิทำยังงี้สิไอ้ตัวหลงแล้วถ้าตัวไม่หลงล่ะตัวไม่หลงมันเออเอาพอมีชีวิตอยู่นี่ละถ้าเราอยู่ในฐานะที่เป็นอา้ า, าวคารวะต้องรับผิดชอบลูกครอบครัวพอ่อแม่พี่น้องขอเป็นว่า ให้พอมีชีวิตกันอยู่ได้แล้วก็มีโอกาสได้ปฏิบัติตามคําสอนของเราพุทธเจ้าอันนี้ประเสริฐที่สุดแล้วก็รู้พระประสงค์ของพระเจ้าด้วยว่าต้องพ้นไปจากทุกข์ถ้าพ้นไปจากทุกข์ก็พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือเกิดแล้วมันทุกข์แน่ๆเดี๋ยวก็ตายไปแล้วเกิดมาทุกข์แล้วทุกข์อีกก็ตายอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกก็ตายอีกถ้าว่ามันคิดไม่ออกเลยอ่ะมันยังหลงอยู่ก็แสดงว่าหน า, นานแน่นมากเลยนะไอตัวหลงอ่ะ ตัวหลงมันหนาแน่นมากจนคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะถ้าคิดออกเนี่ยมันมันต้องเข้าใจแล้วเตายแน่ๆเรานี่มันตายแน่ๆอยู่แล้วแล้วอะไรที่มันอะไรเอาบอวันนั้นมีมีคนกรุงเทพเข้ามาอายุมากแล้วเขาก็เคยบริจาคเงินสร้างกุฏิอะไรนี่แหละล้วก็ถามแกล้งถามไปโยบอายุเท่าไหร่แล้วคนเนี่ยหกสิบกว่าคนนี้ก็6กสิบกว่าเอนี่มันมันอีกไม่นานนะนี่มันจะตายแล้วนะเนี่ย อย่างอะไรอวม อ, อะไรอยู่ไหมนี่แกไปพูดที่กรุงเทพนะแกบอกว่าโอ้โหกลับไปโดนหนักเลยอาจารย์ใส่หนักเลยเขาบอกถามเลยอายุเท่าไหรแล้วติดอะไรพอดีเลยเขาว่าเรากําลังติดเรื่องที่ดินเรื่องบ้านโอ้โหกำลังมันวนเวียนอยู่ในจิตลังเลอยู่จะทํำยังไงเสียดายบ้านเสียดายที่ดินปลูกอะไรต่ออะไรก็เที่ยวไปเที่ยวมาวุ่นวุ่นบอกให้เอามาคิดดูถ้าเราตายแล้วเอาไปได้ไหม กลับไปถึงโปงตกเลยแกว่าลูกหลานเปลี่ยนกรรมเขาได้ไหมเราต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีเพื่อไม่ให้ตําหนิตัวเองเกี่ยวข้องเขายังไงจากนั้นก็ต้องวางปล่อยวางเขาไปตามกรรมของเขาแต่ที่เกี่ยวข้องกันเราต้องเกี่ยวข้องให้ถูกต้องนี่กรรมของเราที่เกี่ยวข้องกันมาที่มาพบกันเนี่ยมันต้องมีอะไรกรรมร่วมกันนะกรรมมันประมวลมาแล้วให้มาพบกันเมื่อพบกันแล้วให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาไป วนอบรมสั่งสอนอบรมสั่งสอนเขาแนะนําเขามีอะไรพอช่วยเขาช่วยลูกหลานอะไรว่าไปเขาบอกกลับไปปับ๊บคิดได้ทำพินัยกรรมนะบ้านทําพินัยกรรมเตรียมไว้ที่ดินทําพินยกรรมไว้เบาเลยที่นี่หานมาปฏิบัติที่นี่ไปแล้วกลับมาที่นี่อีกปฏิบัติเดี๋ยวนี้เราเขา้ากรุงเทพไปนะไปฟังธรรมไปปฏิบัติธ ร, รรมบอกคนึกถึงคําสอนของอาจารย์น้ําตาไหลเขาว่าไกลๆมันเปลี่ยนจิตเขาได้ มันสํานึกขึ้นมาได้บอกโหเนี่ยมันจะคิดได้มันต้องเอาแรงแรงเลยเหรอโอ้โหทำไมงั้นไม่กระเทือนแล้วเราบอกว่าเออมันห่วงอะไรห่วงใครเขาก็ตายเราก็ตายมันเฉยเขาว่าพอมึงก็ตายกูก็ตายมึงก็ตายกูก็ตายท่องไว้มึงก็ตายกูก็ตายอู้ตรงนี้หลุดเลยเขาว่ะอ้ขนาดนั้นเลยเลยว่าจิตคนเราเนี่ยผู้ธรรมดาคิดไม่ออกพอมึงก็ตายกูก็ตายโอู้หลุดเลยเขาวะห่วงใยลูกหลาน แกจะตายอยู่แล้วยังคิดไม่ได้ฮแล้วก็หลายที่นะเคยไปแสดงธรรมที่นู้นอำเภอคำแพงแสนเขาใส่เทศแรงแรงแบบนี้แหละพอลงจากนั่นนึกว่าเขาจะรังเกียจเรานะก็คิดว่าเขาจะเราพูดหยาบมึงกูมึงกูอะไรนี้โอ้โหลุดเลยก็ว่าเราถึงว่าเอ้คนฟังออกก็มีนะคนที่ฟังไม่ออกก็แล่นไป แต่ว่านี่นะถ้าใครคิดได้ว่าจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วเนี่ยแม่มันมันน่าจะลดลงนะไอ้อะไรอาวรนั้นอัน น, อ น, า น, านี้เนี่ยเพราะมันตายจริงๆอ่ะแล้วอะไรไปไม่ได้จริงๆด้วยแต่สิ่งที่ติดตัวไป ค, คืออะไรบุญกับบาปเพราะฉะนั้นทําบุญให้มันมากๆแต่ทําทบาปมากไปไหนที่นี่นันรกบาเยาภูมิแน่นอนอันนี้พระเจ้าท่านรู้ด้วยจากสุอบินทิพย์ท่านว่าล่วงเลยจากสู่ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเห็นเลย ยพพระพุทธเจานี่พยักกรอน่ายทายทำกรรมแบบนี้ไปอย่างแบบนี้นี่ น, นี่เพราะท่านเห็นเห็นด้วยญาณแล้วเราควรจะเชื่อพระพุทธเจ้าไหมหรือไปเชื่อความเห็นตัวเองความเห็นตัวเองมันก็หลงไงหลงจะไม่รู้ว่าหลงมันหนักนะนี่ถ้าเาว่าทบทวนเข้ามามองดูร่างกายตัวเองมันของตายชัดๆมันใช้ได้เฉพาะพ บ, พบนี้ชาตินี้เท่านั้นเอาติดตัวไปไม่ได้ในร่างกายเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าสัตดัชนีละ ท่านถึงว่ามันประกอบขึ้นด้วยดินน้ำลมไฟอ่ะธาตุมันมาประกอบกันขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็สลายไปคนตายอะไรไปก่อนอ่ะลมหาใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้ า, ขาออตายลมไปแล้วไม่มีลมคนตายเนี่ยเขาเขาอยากรู้ว่าตายหรือยังเขาก็เหยาะสำรีไปวางตรงจมูกถ้าสัำรีมันไม่เคลื่อนไหวอ๋อไปแล้วตายแล้วเนี่ยแสดงว่าลมไม่มีลมดับลมดับ เนี่ยธาตุไม่สมบูรณ์แล้วทีนี้ไฟไม่มีลมประคับประคองมันก็จะมอดลงไปดับไปเพราะคนตายจะเย็นคนตายจะเริ่มเย็นลงเย็นลงเย็นลงนะ่นดันั้นธาตุน้ําออกมามันจะเป็นธรรมชาติด้วยั่นเองออกมาละเหยไปถ้าดินแข็งเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุดินมีสภาวะแข็งแข็งมันจะแข็งถือเหมือนตอนพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าไม่นานหนอกตายนี้ เมื่อปราศจากวิญญาณหรือถ้าจิตมันตายไปถ้าจิตมันออกไปแล้วเนี่ยแยกออกไปแล้วเนี่ยจะนอนทับบนแผ่นดินไม่ผิดอะไรกับท่อนไม้ท่อนฝืนหาประโยชน์อะไรไม่ได้ฟังสิจริงไหมร่างกายเรานี่ถ้าเราตายลงไปเดี๋ยวเนี้ลมไปเรียบร้อยไฟดับน้ําเะโอ๊ยไปดินเหลือแต่ดินสุดท้ายดินก็ไม่เหลือกลับคืนไปสู่ดินเมื่อไม่มีกาย อาศัยอยู่ไม่ได้จิตก็ต้องไปตามธรรมชาติของเขาเนี่ยไอ้ตัวจิตเนี่ยไปนี่แหละไปตามกรรมขึ้นอยู่กับบุญกับบาปเพราะใครทาบุญเอาไว้มากทํากรรมดีเอาไว้มากมันก็ไปที่ดีเพราะพระพุทธเจ้าอสอนให้ทํากรรมดีกรรมไม่ดีอย่าไปทําเพราะทําแล้วมันให้ผลจริงนี่บอกทางไว้ให้หมดเลยพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าคนไหนฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจทําใจได้เบาทันทีเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้ามันเป็นความจริงยอมรับความจริงได้แค่นั้นแหละ ไอ้ที่มันทุ ก, ก็มันยอมรับความจริงไม่ได้คนเรายอมรับความจริงเบาสบายไม่ต้องไปทุกข์กับอะไรอันนี้ฝ่ายรูปฝ่ายรูปร่างกายหรือรูปอาคารดินน้ําลมไฟไม่มีอะไรมันเหมือนไม่มีอะไรถ้าทําใจยันได้จะไม่หลหยึดจะไม่ไปผูกพันไม่ไปเกาะไม่ไปเกี่ยวมองว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของมันในร่างกายคนเรามันจะมีธาตุไฟอยู่แล้วธาตุไฟนี่มันหน้าที่ของมันอันหนึ่งคือเผาผลาญ ทำให้ร่างกายของคนเราแก่ลงไปที่เราแก่ลงไปพราะธาตุไฟมันเผาผลาญตัวมันเองผลร่างกายของทุกคนต้องแก่ลงไปต้องแก่ลงไปเรานั่งอยู่นี่ก็แก่ลงไปฟังทำไปแก่ลงไปรับประทานอาหารอร่อยขนาดไหนก็แก่ลงไปเสรษสวยอะไรสุขสบายขนาดไหนก็แก่ลงไปแก่ลงไปแก่ลงไปสุดท้ายก็ต้องตายไปแต่มองเข้าถึงความจริงอันนี้มันควรไหมที่จะมายึดร่างกายยึดรูปประคันอันนี้ยมาเป็นตัวเป็นตน นี่มันต้องใช้ปัญญาปัญญาตาปัญญาทําความเข้าใจถ้าจิตมันเข้าใจเรียกว่ามันมีความเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงสมาธิอันนี้สมาธิขั้นการฟังขั้นเข้าใจถ้าใครเข้าใจอย่างนี้เวลาเราปฏิบัติธรรมจิตเป็นสมาธิเอาจิตมามาสัมผัสรู้ที่กายมันเข้าใจก็วางไปเองเลยไม่ยองไปทําอะไรมันมากหรอกแต่เข้าใจจริงนะลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตเนี่ย โอ้ร่างกายก็จะทาชาติของมันเรื่องของมันปล่อยมันต้องมีสมาธิรองรับด้วยมันงกนปล่อยแล้วมันก็ไปยึดใหม่ผลสมาธิมันก็ต้องมีมันมีความพอดีของมันเหมือนกันสมาธิมันทําให้เห็นแนวเน่เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งสติมันทําให้จิตรู้จิตเห็นสติทาให้เห็นชัดเจนปัญญาทําให้เห็นความจริงทาให้ปล่อยวางจิตมันปล่อยวางขั้นสมาธิที่สุดขันลึกซึ้งจริงๆสุดท้ายมันต้องเห็น เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นความจริงสูงสุดเลยเนี่ยเห็นอนัตตาเลยอะหลังกายก็อยู่ของมันอย่างนั้นเองเี่ยอาจิตมาสัมผัสรู้เมื่อไหร่เมื่อไหร่มันก็อยู่ของมันจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งมันเจะละเอียดเข้าไปขนาดที่ว่าเออมองดูว่าธาตุดินแข็งแข็งมันก็อยู่ไปตามธรรมชาติของมันมองดูธาตุน้ำว่าเป็นของเหลวเอบอาบทําให้เกิดการกาะกลุ่มมันก็อยู่ตามธรรมชาตมันไฟมันโอปุ่นมันร้อนร้อนโอปุ่นเย็นก็คือธรรมชาติของมัน ลมเคลื่อนไหวผัดไปพัดมามันก็ธรรมชาติของมันมันจะมองเห็นเป็นธรรมชาติหมดอยู่ของมันแต่ถ้ายังไม่เข้าใจไม่ลึกซึ้งแบบนี้มันแสดงว่าปัญญาเรายังไม่ถึงสติสัมปัญญะยรายังอ่อนมากหรือเราฝึกสมาธิแต่ว่าไม่เคยใช้สมาธิให้เป็นปัญญาให้มองเห็นมาเข้าใจเรื่องขันห้าของเราเองรูปขันก็ยังไม่เข้าใจไอ้รูปขันนี่มันน่าจะเข้าใจง่ายๆเพราะว่ามันเห็นคนตายเยอะแยะเลย สมัยก่อนนะอยู่ที่วัดดอยธรรมเจดีบวดใหม่ๆเนี่ยเวลามีคนตายถ้าอาจารย์จะให้ไปมีพระเทระไปแล้วเราติดตามไปด้วยองค์สององค์ต้องมีเราอยู่คนหนึ่งไปเออแสดงว่าจิตเราตอนนั้นมันมันมันก็คงอยู่ในระดับที่มีประโยชน์ได้ประโยชน์จากศพแล้วยืนดูมองน้อมเข้ามาหาตัวเองเนียโอ้เป็นลูกเป็นลางใหญ่ขนาดนี้ทางไหนจิตไอ้จิตเรามันตอนนั้นมันก็ไม่ได้ยึดแล้วล่ะมันก็ปล่อยอะไรของมัน มันปล่อยได้บ้างยังไม่ถึงการนั้นหรอกช่วงแรกๆต่อมาก็ปล่อยหมดมันเห็นชัดเจนพอปล่อยได้มันก็เบาเหลือแต่จิตตัวจิตมันไม่ไปยึดกายมองดูกายตัวเองก็โอ้แค่อาศัยอยู่มันไม่สนใจเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาอยู่แต่ไม่กังวลมันจะไม่รักษานะคนละอย่างนะบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่รักษาแต่ถ้ามาฝึกจิตมนเข้มแข็งว่าจิตมันยังไม่ปล่อยมันยังยึดร่างกายอยู่ ต้องการฝึกจิตเออนะไม่เป็นไรอ่ะจะเอาก็ได้เพราะต้องการประโยชน์จากมันแต่เราได้ประโยชน์จากร่างกายนี้สู้เวทนาด้วยนั่งให้มันเจ็บเจ็บแล้วก็มันจะได้ทิ้งมันจะได้เห็นว่าเนี่ยเห็นไหมอะไรเจ็บเราเจ็บเหรอถ้าเราเจ็บนั่งต่อไปเออจนจิตมันปล่อยพลปล่อยแล้วเวทนามาปั๊บมันยิ้มเลยมาแล้วมาแล้วเครื่องทดสอบมาแล้วเครื่องที่จะทําให้มันจิตมันมีกําลังให้มันปล่อย เป็นอิสระมันพอใจฝึกจนขนาดนั้นละ่ะจนเวทนานี่เป็นเรื่องไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติที่แรกก็อดท น, เ, นเจ็บปวดสู้ไม่ถอยกำลังไม่สู้ไม่ได้ก็เอาขยับก่อนขยับนิดนึงดูใหม่สู้ไปสู้มามันก็คดาขึ้นปรราขึ้นพอมันวางได้แล้วมไม่กลัวเวทนาเลยรู้เลยคนจะตายเนี่ยว่มันต้องเป็นแบบนี้ละ่ะ จิตมันปล่อยได้แล้วมันไม่กลัวอะไรแล้วปล่อยวางเวทนาได้ปล่อยวางกายได้เพราะมันอยู่ด้วยกันเนี่ยกายก็ต้องมีเวทนาเวทนาก็รู้อยู่แล้วมันเพิ่งเกิดมันอยู่ที่ร่างกายในเมื่อร่างกายมันมันไม่ใช่ของเรามันตายแล้วเวทนามันจะอยู่เป็นของเราได้อย่างไรเนี่ยต้งสอนจิตอย้ายไปยึดเวทนาให้มันเห็นว่าเนี่แหละคือเวทนาเวทนาขันใครอยากเห็นเวทนาขันชัดๆดูเลยรูปขันรู้แล้วเนี่ย เพราะร่างกายนี่แหละอาศัยรูปรูปทั้งสี่ม้าผู้รูปทั้งสี่ประกอบกันรูปมาเป็นกายแล้วพระเจ้าเปรียบเทียบโดยนะ้ว่าเนี่ยไอ้รูปประคันี่เป็นเหมือนกับฟองน้ําพระเจ้าประทับอยู่ินแม่น้ําคงคาฝนตกฝนตกมันน้ําในแม่น้ำคงคามันไหลแรงไหลแรงก็มีฟองน้ําใหญ่ๆดูก่อนพิสูจน์ต่างดายพวกเธอเห็นฟองน้ํานั้นไหมเห็นพระเจ้าข้าสอนกันทั้งที่มองเห็นนี่แหละไม่ได้หลับตรงหลับตาอะไรชี้ให้ดูเลย คือฟองน้ำเนี่ยมันไหลแรงมันก็เป็นฟองขึ้นมาไอ้ฟองน้ํานี่มันก็ข้างในมันก็กวงอะไรตัวอะไรเดี๋ยวกระทบอะไรแรงแมันก็แตกสลายไปนี่พระเจ้าเปรียบเทียบร่างกายเป็นฟองน้ําไปเลยเห็นพระเจ้าขา่าเนี่ยร่างกายนี่แหละเหมือนฟองน้ำพระเจ้บอกเพราะอะไรเพราะว่าเป็นของที่มันจะต้องแตกสลายไปหมายว่าปัญญานี่ถ้าใครยอมรับความจริงได้มันจะทะลุมองกายกับทะลุเลยว่าของแตกดับสลายของตาย ของที่มันไม่เหลือเป็นตัวเราเป็นของเราต่อไปได้คือตาปัญญาสามารถมองทลุไปมันก็ไปยึดร่างกายสิมีเปรียบเทียบเหมือนฟองน้ําเลยเปรียบเทียบกับหลายอย่างไอ้ร่างกายอันเนี้แล้วพระอง์ก็เปรียบเทียบเวทนาเวทนาเนี่ยเป็นของไม่มีแก่นสารเวทนาขันไม่มีแก่นสารเวทนาขันนี่เปรียบเหมือนกับะยดน้ําือฝนมันกำลังตกอยู่ผู้เย้าเปรียบเทียบมันหยดน้ําหยดน้ํานี่ มันเป็นหยดเหมือนจะมีหยดเหมือนจะไม่แตกสลายเพราะกระทบน้ำบับ ก, กระทบดินบับสลายไปสลายไปวันนี้เนี่ยเวทนาก็เหมือนกับหยดน้ำอ่ะจิตเราจะหลงว่าเหมือนกับมีจริงแต่ความเป็นจริงเดี้ยมันก็สลายไปแล้วเจ็บๆอยู่แต่มันทนไม่ไหวกําลังจิตเราไม่พอขยับเดี้ยมันก็หายแล้วหรือเบาลงแล้วนี่สู้ต่อไปใหม่ได้นี่ถ้าใครอยากสู้อยากลอง แต่ถ้าใครจิตมีกําลังโอ้ยสบายเลยเวทนาขันกองแห่งเวทนามันอยู่ของมันเห็นเลยจิตเห็นเลยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่มันปล่อยได้ถ้ามันปล่อยยังไม่ได้กําลังมันมันถึงมันก็ปล่อยแต่พอมันเจ็บแรงขึ้นทีนี่เรานั่งนานขึ้นนี่ปุ๊บจิตวิ่งตึ๊บเข้าไปใหม่คุกเลยไอ้ตอนนี้หหเจ็บรุนแรงมากเลยนะมันปล่อยได้มันจะสบาย แต่พอมันตึบเข้าไปใหม่นี้อือหึ่บีบเข้าไปหาใจถ้าอดทนจิตมีกําลังขึ้นมาสตินี่มันทําให้จิตมันรู้แล้วมันมีกําลังขึ้นมาตัวสติเป็นพละสติเป็นกําลังสมาธิทําให้จิตมีกําลังปัญญาทำใหจิตมีกําลังวิทยะความเพียรความพยายามก็จิตมันจะเพิ่มกำลังให้กับจิตพวกศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยมันจะให้จิตมีกําลังก็เป็นเครื่องวัดมาศรัทธาเราถึงไหมเวลาถึงมันจะยอมสู้เนี่ยความเพียรพยายามความอดทน ความกล้าหาญของจิตพอไหมถ้าพอมันสู้สติมีกําลังไหมกําลังก็ทําให้จิตเข้มแข็งบด ท, ทนสมาธิก็ทําให้จิตตั้งมัน่นไม่วันไหวปัญญาทําให้จิตได้ปล่อยวางเห็นวางวางไปเรื่อยเบาพอปล่อยวางได้เท่านั้นรสชาติมันจะโอ้โหมันมีรสมีชาติจริงๆนะเพราะว่าเคยสู้มาสมัยนู้นนั่งสู้เวทนา ก็อเรปฏิบัติมานานแล้วหลายพรรษาก็ปฏิบัติธรรมดานี่แหละนีสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้ขันหา่าว่าไปเรื่อยกําลังไม่ถึงไม่ปล่อยพอได้ดูได้เห็นว่ า, ว า, วาแบบแวมๆก็เพียนอยู่นะแต่ว่าไอ้กาลังเราไม่พอไอ้จิตทําไมมันไม่ไปสักทีหนึ่งนาะก็รู้ว่าจิตดีขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นเองแต่เวลาจะไปสู่มรรคสุผลอะมันไม่ไปไม่ได้ อ้าวไม่เคยนั่งขัดสมาธิเพชรขัดสมาธิเพชรจับเวลาเอาทีนี้จะสู้แล้วทีนี้ไหนว่ามันไม่ใช่ของเราถ้าไม่ใช่ของเราจิตต้องปล่อยได้ก็คือมาวัดกันตรงที่มันจะปล่อยได้ไหมมันจะเห็นว่าสักประเวิทยาได้ไหมสักวรกายได้ไหมสักว่าจิตได้ไหมไม่มีตัวไม่มี ต, ไมมตนได้ไหมปุ๊บสู้กันก็จะเห็นแบบนี้แหละทีแรกกบนขึ้นมามนจะอยากเลิกอยากขยับใหม่ๆอะ่ะ อดทนไปสู้ไปมันก็ผ่านไปผ่านไปมันไปคุกไปอะไรเราก็เอาปัญญาสอนจิตสู้ไปปล่อยวางไปต่อมาปล่อยว่าได้จริงก็ใช้เวลานั้นกันนะไอ้ที่ปล่อยได้เป็นลําดับลําดับทีละเล็กทีละน้อยไปแต่สุดท้ายปล่อยแล้วก็จิตมันก็เห็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งมันเป็นอีกโลก่งที่ไม่เคยเห็นมันก็เลยจดจําโอ้เวลามันปล่อยมันปล่อยแบบนี้เหรออะจิตมึงเหมือนพลิกตัวมันเองได้ เหมือนมันหลุดออกไปจากพวกขันหา้าหลุดออกไปจากพวกเนี่ยเวทนงเวทนาอะไรได้หมดเลยเป็นอิสระแม้นิดหนึ่งชั่วขณะหนึ่งแต่ว่าในจิตนี่แม่มันรสชาติมันอัศจรรย์เหมือนจิตเห็นทางเลยโอ้มันต้องไปแบบเนี้ยแต่ให้จิตมันปล่อยเองวางเองมันเห็นทางมันเองนั่นแหละก็เลยเข้าใจเข้าใจพอเข้าใจเรื่องเวทนาเข้าใจกายเข้าใจ สัญญาสังขารวิญญาณไปด้วยกันหมดเลยทะลุถึงกันหมดเลยแต่เวลาพิจานาธรรมดามันก็ไปขันห้านี่แหละไปด้วยกันจเจริญสี่ฐานสี่ไปแล้วมันก็เข้ามาดูกายดูจิตตัวเองเนี่ยกายจิตก็คือขันห้านั่นเองนี่พระยาพูดถึงขันห้ากายก็ยึดไม่ได้เป็นเหมือนฟองน้ํากระทบอะไรแรงก็แตกสลายไปเวลาฝนตกมีฟองน้ำพวทนาก็เหมือนกับหยดน้ําหะกระทบอะไรก็ ดินบ้างน้ำบางมันก็สลายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นรูปนี้พระเจ้าจึงบอกว่ารูปรูปคือสิ่งที่ต้องแตกสลายไปจึงว่าร่างกายคนเรามันต้องตายต้องทิ้งเอาพออยู่ได้ไม่ต้องไปห่วงใยมันมากไม่ต้องไปดับประดามันมากไปประดิบประดอยมันมากไปตกไปแต่งมันมากเพราะมันของตายของทิ้งของที่มาพร้อมกับโครคภัยไข้เจ็บเป็นภาระ ต้อดูต้องแล่หิวกายต้องหลับต้องนอนเราจะไปมัวประดับประดาะเอาเข้าใจมันอยู่บนเสีเวลาของตายเดี๋ยวก็เจ็บป่วยใข้แล้วกแก่ลงไปทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกเวลานีนี้ในกายก็มีเวทนาทางกายก็ทําความเข้าใจมันเสียเออก็เป็นอย่างนี้มีร่างกาย ม, มันมีเจ็บมีปวดมีโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราไม่ทําความเข้าใจมันก็ไปยึดเอาเวทนาทางกายเข้าไปหาจิตเนี่ย มันก็ไปบีบคั้นจิตเป็นเวทนาทางจิ ต, จตมันไม่วางอุเบกขาไม่วางเฉยวางวางอุเบกขาไม่ได้มันบีบคั้นจิตแล้วพูดถึงสัญญาอย่างไงพุณเจ้าเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัญญาเหมือนพยับแดดสมัยเป็นเด็กไปเลี้ยงวัวกลางวันมองไปแดดจ้าเห็นยิบแยบยิบแยบยิบแยบไอ้ภาษาเด็กอ่มันไม่รู้มันคืออะไรก็ตามไปดูไปดูปดหายมันก็ไปอยู่ข้างหน้าเสียเนี่ยหมอนี่คำว่าพยับแดด ตวเไม่รู้ไม่เคยศึกษาแต่มองไปที่แดดมันเห็นยิบแ ย, ยบยิบแยบก็จําได้โอยิบแ ย, ยบยิยบแยบนีม่มัน ม, มีตัวตนมีเหมือนไม่มีมันไม่มีอ่ะแต่มันมีอยู่ไงออกมาเป็นแก่นสารสาระอะไรไม่ได้พระเจ้าเปรียบเทียบสัญญาเป็นแบบนั้นสมัยที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆอ่ะพอนั่งไปนั่งไปนั่งไปยังไม่ทันได้มีสมาธิอะไรมากมายหรอกพอจิตมันเริ่มนิ่งขึ้นมาสัญญาปับ๊บอมามันเห็นบุค๊คอ๋อสัญญาเกิดดำอย่าง้เองไง เห็นเห็นพอเข้าใจพยายามแด่สังขารเนี่เปรียบเหมือนต้นกล้วยนี่ไม่มีแก่นคิดนึกปรุงแต่งอะไรขึ้นมาไม่มีสาระอะไรเพราะมันเพิ่งคิดขึ้นมาที่วันเดียวกันดับโอ้ยบางคนมาทุกข์เพราะความคิดคิดขึ้นมาแล้วก็ทุกข์เองด้วยผังเรื่องเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาด้วยสร้างเรื่องสร้างราวหนังมือลอยปรุงแต่งอุย้ยไม่รู้จะพูดยังไงอะ ไอ้ความคิดมันก็รู้อยู่แล้วเป็นความคิดเป็นนามธรรมาไม่มีตัวตนแล้วยังไปเป็นทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะสิ่งที่มันหลงสร้างขึ้นมาเองพอพูดแบบนี้มันอย่าพูดว่าโง่จริงๆเลยนะมันอดไม่ได้นะมันอยากจะโง่จริงๆคนเราเนี่ยเพรา ะ, ะนั้นสาวโพธิ์คำพุทธเจ้าต้องไม่งโง่ต้องทําให้ตัวเองฉลาดขึ้นมาเพราะมีคําสอนพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยมาพวกนั้นไม่มีตัวตน คือขึ้นมาเดี๋ยวถ้าเราตั้งสติดีๆเนี่ยนีมันต้องฝึกจิตด้วยไม่งั้นไม่เห็นหรอกตั้งสติดีเดี๋ยวมันเกิดมันก็ดับให้เห็นเนี่ยถ้าจิตเรามันมีสมาธิในระดับโพลสมาธิเนี่ยสังขารพวกนี้มันไม่เกิดมันดับไปเองเพราะจิตเรามาจดจ่ออยู่ข้างในจดจ่ออยู่อารมณ์เดียวอย่างเงี้ยพวกสังขารดับหมดนา น, นานบางทีถ้าถ้าหาว่าสมาธิมัน คลออกไปบ้างมันก็จะมาออกแบบขึ้นมาแต่ถ้าเป็นจิตที่มันจเจริญแบบตั้งมัน่นอ่ะพวกนี้โผล่มากก็ดับไปให้เห็นนะโผล่แล้วก็ดับให้เห็นเห็นความเกิดดับถ้าในสมาธินี้ไม่ค่อยเห็นนะมันไปจมอยู่ในสมาธิสงการเฉยเลยเหมือนไม่มีกิเลสบางคนเลยคิดว่าตัวเองเนี่ยถึงนิพพานไปสอนที่สาราธรรมมีพยาบาลคนแเจ้าหน้าที่อะไรคนหนึ่งนี่แหละแกอายุสักหกสิบปีร่วมหกสิปีแล้วแกว่า แกทำสมาธิมาตั้งแต่เด็กเลยแกว่าพอเราที่บายเรื่องจิตเป็นสมาธิสมาธานี่มันไปอยู่กับอารมณ์เดียวมันไม่รู้อะไรมันไปนิ่งอยู่แต่มีความสุขความสบายออกมาแล้วสบายตราบใดที่มันยังมีสมาธิยังมีกำลังอารมณ์กระทบไม่หวั่นไหวมันก็เลยสบายแต่ถ้ากระทบแรงๆเอาไม่อยู่สมาธิหายไปเข้าสมาธิไม่ได้เป็นทุกข์แต่สมาธิที่พระเจ้าต้องการก็คือว่ามีสติสัมปชัญญะ ั้งมั่นด้วยอะไรเกิดขึ้นเห็นรู้เข้าใจเกิดแลดับพอเห็นความเกิดดับจิตเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้านานเข้าความเกิดดับนี้จะเร็วขึ้นจิตก็ยิ่งเข้าใจลึกซึ้งเข้าไ้โอ้มันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนี่นาะพอมีอะไรปุ๊บเข้ามาเนี่ยไอตัวเกิดดับมันแสดงตัวทันทีเลยป๊ปปป๊จิตรู้ทันทีเลยว่าอันนั้นก็เกิดดับนี่มันเป็นยานชนิดหนึ่งพออธิบายมาถึงตรงนี้แก็ โอ้แกยกมือขึ้นเลยแกบอกแกหลงมาตั้ง60สปีแล้วแกปฏิบัติตั้งแต่อายุย่สิบเจ็ดขวบแกบอกได้สมาธิมาแต่ไม่เคยได้เห็นความเกิดดับไม่ได้เคยเข้าใจเรื่องขันหา้าเรื่องอะไรเลยอะ่ะแกก็มาปรึกษาว่าแกทํำยังไงดีเราบอกโอ้โยมได้สมาธิแล้วเนี่ยโยมก็ต้องมาให้มันเห็นนี่มันชะไม่มีเราไ ม, ม่มีของเราเอาลัสั้นเลยโยมทํำยังไงก็ได้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราให้เขาหาเองช่องทางของเขา พเพรป้าหมายคือไม่มีเราไม่เห็นว่าไม่มีเราไม่มีของเราเขาจะเอาอยัางไงก็ได้เพราะพื้นฐานเขามันมีสมาธิอยู่แล้วอะต่อมาอีกแกก็มาปฏิบัติด้วยแล้วก็ม า, ารู้สึกมาเล่าเฉพาะทาให้บางก้าวหน้าขึ้นหน่อยต่อมาหายเงียบไปไม่เห็นกลับมาอีกแต่เขาก็พอรู้วิธีแล้วพรผะสมถะมันก็ต่างจากวิปัสสนาตรงที่สมถะมันจะเพ่งเล็งอยู่ที่อารมณ์เดียวจดจ่อที่อารมณ์เดียวมันอยู่อารมณ์เดียวมันจะไม่รู้อารมณ์อื่น แล้วที่สําคัญสมาธินี่มันข้องําจิตได้ถ้าสติมันอ่อนสมาธิมันมีกําลังมากมันจะไม่รั่วอะไรเลยแล้วคิดอะไรไม่ออกด้วยขยับจิตจะคิดคิดไม่ได้มันไม่คิดเนี่ยตัวสมาธินี่ยมันแรงขนาดนั้นนะเข้าไปในสมาธิลึกๆอะไรมาไม่ได้ยินด้วยมันกระทบอารมณ์แรงๆเสียงดังๆนี่มันกระเทือนก็ไปหาจิตมันเลยไปแล้วถึงรู้สึกขนาดนั้นตัวสมาธินี่แต่มันเป็นในช่วงที่เราสติเรายังอ่อน กำลังควบคุมปรับสมดุลยังไม่ได้ก็เป็นกันทุกคนนะเนี่ยแต่ถ้าใครจเจริญสติบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยถึงจะสมาธิขนาดไหนมันก็พอที่จะทันนะเขาเรียกว่าพอที่จะรู้สึกตัวอยู่ตลอดไม่จมเพราะฉะนั้นจะเริ่มวิปัสสนาก็คือว่าพอจิตมันพอเห็นอะไรได้ก็ดูมันไปเอามาพิจารณาอะไรได้พิจารณาไปให้มันเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรื่อยไป ดูแล้วมันอยากจะพูดอยากจะสอนจิตก็สอนได้ไม่ใช่ของเรานะมันอยากย้ำมันอยากให้ลึกซึ้งเข้าไปหาจิตบางคนบอกพูดไม่ได้ให้ดูเฉยๆโอ้ถ้จิตมันมีกําลังมันดูเฉยๆมันไม่พูดหรอกอยากให้พูดมันก็ไม่พูดแต่ใหม่ๆเนี้ยมันอาจจะพูดได้มันอยากเอาธรรมะของพุทธเจ้ามาสอนจิตอยากให้แน่ใจว่าจิตมันรู้หรืออยากย้ำลงไปให้จิตมันรู้ให้มันแจ้งมันชัดสัญญาเหมือนใบยับแดดสังขารเหมือนต้นกล้วยเป็นของไม่มีแก่นสารหมด ตัวจิตที่นี่ตัวจิตตัววิญญาณวิญญาณก็คือจิตนั่นแหละเวลาไปรั่วลมเขาเรียกวิญญาณวิญญาณนขันมันเป็นหนึ่งในขันห้าอันนี้เป็นชื่อเวลาไปทํางานมันไปรั่วลมวิญญาณนี่แปลว่าธาตุรู้มันรั่วลมมันออกไปรั่วลมก็เรียกวิญญาณรู้ทางตาก็จะขูวิญญาณรู้ทางโสตวิญญาณทางจมูกคานะวิญญาณทางลิ้นก็ชิวหาวิญญาณทางกายกายวิญญาณทางใจก็มโนวิญญาณนี่ยไอพวกวิญญาณจะทํางานอยู่ตอน ไอ้วิญญาณคือตัวจิตนั่นเองมันไปทําหน้าที่รู้อารมณ์ไอ้ น, นี่รวดเร็วมากเลยเนี่ยผู้เจ้าเปรียกเหมือนกับเป็นนักมายากลเลยนะโอกลเนี่ยแม่งเขฝึกซะจนเร็วจริงๆเลยนะมันรวดเร็วยพยายามจับจับไม่ได้แล้วเวลาเขาเฉลยนะเขามาทําให้ดูนะเขาบอกทําอย่างนี้มันก็มีอะไรด้วยนะเขามีเทคนิคอะไรของเขาด้วยจับไม่ได้เวลาเขาเฉลยอ๋อโอ้ยเขาทําได้ตอนนั้นไปที่กรุงเทพเนี่ยะมันก็มีหลา น, นเป็น ลูกหลานเนี่ยแกเป็นเด็กอตทิสติกครับแกก็ไปฝึกเล่นกลแกชอบฝึกเล่นคนทีนี้พอเราไปเขาก็อยากแสดงให้ดูขอแสดงให้ดูเราเป็นพระออืเราก็อะลูกหลานอยากจะทําให้ดูเขายกศรบเราแม่เขาให้หลวงปู่ดูหน่อยอยากจะแสดงให้หลวงปู่ดูก็เอาตกลงเน่อยชั่าก็มาทําให้ดูเรามีชุดมีอะไรของเขานะมีนก มีนกด้ยนกของเขาเนี่ยเขาไม่ให้เรารู้นะักเขาซ่อนเอาไว้ในแขนเสื้อเขาอย่เราไม่รู้อ่ะยี่ก็แกก็มาเวลาแกแสดงแกก็หยิบดอกไม้ขึ้นมานะแกก็โยนดอกไม้ทํำท่ายโยนดอกไม้มให้เราโยนภาพไอ้นกบินปื๊ดออกมาเราอเออเขาท่าเหมือนกันมันจับไม่ได้เลยนะที่จริงเขาซ่อนนกเอาไว้ในแขนเสือ้อละบินปื๊ดออกมาโอ้เราไม่เคยเห็นเพราะเราไม่เคยดูคลเนี่ยตอนหลังก็เห็นเขาไปไล่จับนก <laughs> พอเลิกแล้วนกมันไปซ่อนอยู่แถวๆนั้นไปไล่จับเรา หรือมีคนนี่นี่คอยคอยไล่จับนกให้เขาคนเป็นอย่างนี้เองมันรวดเร็วจริงๆอ่ะมองไม่ทันเลยไม่รู้ด้วยว่าเขาขอสั่นอะไรอยู่ตรงไหนเป็นเหมือนมายากลจิตเนี่ยมันเร็วมันเร็วเพราะมันถึงไม่ยึดอะไรง่ายๆเลยนะเห็นอะไรปั๊บมันจะคิดขึ้นมาเลยตัวตัณหาน่ะตัวตัณหามันอยู่ในจิตเราเพราะตัวหลงหลงมีเรามีเรามันก็อยากทําให้เรามีความสุขตัวอยากคือตัวตัณหา พอเห็นอะไรปุมันอยากให้เรามีความสุขมันก็จะเอาอันนั้นเนี่ยมันจะเอาปั๊บสัญญาจําแล้วนะเนี่ยอันนี้ดีสําหรับเราอันนี้ท่านได้มาจะทําให้เรามีความสุขเนี่ยสัญญาไปจําพับไว้เลยนะเก็บไว้เลยเก็บไว้ทีนี้เราอยู่ที่เชื่อมจะนึกขึ้นมาทีนี้มันหลายเรื่องนะทีนี่หูในจิตของคนเราเนี่ยไอตัวการสาคัญคือตัวสัญญาไอมหมดเลยอันไหนไม่ชอบใจมันก็มีสัญญาอีกแบบห น, น, นึ่งอันไหนชอบใจมีสัญญาอีแบบหนึง่งตัณหามีความอยากจะเอา ถ้าสัญญามันมาในรูปของมานะมันก็เหนือกว่าเขาดีกว่าเขามันจดจําท่าทางว่าดีกว่าเขาทํายังไงยังไงยังไงแสดงออกยังไงเวลามันมันเวลามันนึกขึ้นมาแล้วมันจะส่งให้จิตคิดขึ้นมาปรุงแต่งเรื่องราวขึ้นมาแต่ทิฏฐินี้มันก็จะเอาให้ตัวเองถูกแต่เนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดแล้วมันอยากให้เที่ยงอยากให้คงที่อยากให้ตรงกับความรู้สึกของเรานี่พวกนี้มันจะเก็บไว้หมดเลยแต่เก็บไว้ด้วยอํานาจของตัณหาเก็บไว้ด้วยอํานาจของมานะเก็บด้วยอํานาจงทิฏฐิเก็บไว้ด้วยความหลง นีพระเจ้าเรียกว่าปะปัญจักสัญญาสังขารเป็นสัญญาซับซ้อนทําให้เกิดปัญหาเรื่องราวขึ้นในจิตถ้าคนปฏิบัติธรรมก็ให้น่นช้าเพราะตัวสัญญามจะดึงเรื่องมาดึงเรื่องมาแล้วส่งให้จิตจิตก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปตามสัญญานั้นปรุงแต่งขึ้นมาถ้าชอบใจก็ได้มาในรักใครห่วงแหนเลยนะปกป้องใครจะมาขอมาแบ่งมาปันทะเลาะเบาแว้งอารวาททุบตีกันเนี่ยปัญหามาจากสัญญา เพราะนันเรื่องราวก่อนที่มันจะเข้ามาเป็นเรื่องราวในจิตสัญญาจะทำงานแล้วสัญญาของแต่ละคนเป็นสัญญาหลงผิดเป็นอสงไขยสงไขยเก็บไว้ซับซ้อนอยู่ในจิตอดีตชาติก็มีด้วยแต่มันจะ ม, มาเวลาเราอยู่ในภวังเวลาหลับพวังขจิตหรือเวลาสมาธิลึกๆบางทีมันออกมาเป็นมโนภาพเป็นภาพในโลกนี้ไม่มีแต่ว่ามันไปดึงมาได้สัญญาซับซ้อน ถ้าธรรมดามันก็เป็นเรื่องราวในในชีวิตปัจจุบันที่เราเคยมีประสบการณ์ถ้าเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบมันจะคิดไม่ออกสัญญามันดึงมาไม่ได้ต้องมีสัญญาแล้วเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันเราไปจดจําเอาไว้มันจะมาพอสัญญามันปั๊บมาถ้าเรารู้ไม่เท่าทันสัญญามันจะเกิดปรุงแต่งจิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งแล้วมันก็จะมีความพอใจชอบใจไม่ชอบใจขึ้นมาในจิตเราเนี่ยชอบใจถ้าได้มามันจะรักใคร ชอบใจพอใจห่วงแหนถ้าใครจะมามันจะเต็มีห่วงแหนไม่ยอมถ้ามันชอบใจมันก็อยากให้สลายไปอยาให้คนอื่นไปไม่อยากพบไม่อยากเจอไม่อยากเจอมีทั้งรักใครไม่รักไม่ชอบแต่ต้นตอมันจริงๆมาจากสัญญามันเก็บสะสมมาไว้ตอนต้นเหตุของปัญหาในจิตเราเนี่ยคือตัวสัญญาแต่เบื้องหลังมันคือตัวหลงหลงจะทําเพื่อเราพอจะทําเพื่อเราสัญญามันเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ เพราะคนที่ทําความดีมากๆสัญญาณออกมาดีปรุงแต่งดีๆอย่างน้อยก็ดีมีความสุขความสบายมากถ้าว่าทําไม่ดีมากๆสัญญามาไม่ดีรบกวนจิตบีบคั้นจิตเพราะนั้นการที่เรามาฝึกจิตเนี่ยมีความจําเป็นเพราะว่าสติเนี่ยมันควบคุมจิตได้จิตมันอยู่ในอานาจของสติเวลาสัญญามันโผล่พัดมาเห็นสัญญาเกิดดับมันปรุงต่อไม่ได้จบถ้าไม่ทันสัญญามันจะคิดปรุงขึ้นมาสัญญามันสุขให้ตัวความคิด ถ้าตัววิตกวิตกทำไมว่มาจิตมันไปคิดไปเอามาไปเอาเรื่องมามาคิดปรุงแต่งก็ต้องรู้ทันความคิดถ้ารู้ทันเร็วมันก็ดับเร็วอ่ะถ้าสติเรามันอ่อนล้ามันไม่ทันน่ยปรุงไปเรื่อยทั้งวันเหมือลอยไปเลยเป็นพระก็ตามแม่ชีก็ตามโยมก็ตามท้าสติมันไม่ทันจิตของตัวเองอมันก็จะมีเรื่องปรุงแต่งทั้งวันะบางคนเนี่ยปรุงแต่งแล้วเป็นทุกข์เป็นทุกข์ยิง่งอยากคิดในเรื่องที่ตัวเองเป็นทุกข์ซ้ําตอกย้ำเข้าไป นี่มันก็เลยทุกข์อยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นทางออกนี่คือสติต้องดีๆควบคุมจิตให้มันได้แล้วก็ทําความเข้าใจชีวิตของตัวเองเนี่ยเกี่ยวกับขันห้าเกี่ยวกับสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ยทีแรกก็ส่วนอยากยาวก่อนเพราะร่างกายเนี่ยมันมันใหญ่มันกว้างเป็นฐานที่กว้างเห็นง่ายคือรูปประคันอย่างเงี้ยมันเป็นรูปธรรมมันพอทำความเข้าใจได้ดูกายดูเวทนาถ้ามันปล่อยมันวางแล้วดีนี้มันไม่สนใจเลยนะ พอนวางได้แล้วโอ้ล่างกายอยู่ของมันไปไม่ให้ความสําคัญเหมือนเก่าแต่ก่อนอยากโน่นอยากนี่อืมอยากได้ของสวยๆงามๆเอามาเพื่อล่างกายทางนั้นเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะทําเพื่อล่างกายและไม่รู้เวยว่าร่างกายมันเกิดมาแก่เจ็บตายมันมันมองข้ามไปหมดอ่ะมันเป็นเ่าไปหมดเลยเคยนั่งปฏิบัติธรรมนี่แหละนั่งไปนั่งไปเจ็บอะไรขึ้นมาก็ปล่อยมันไปทิ้งมันไปสุดท้ายมันไป มันไปเห็นร่างกายกับจิตมันหลุดออกไปจากกันเห็นเห็นในญาณนะเห็นในจิตเนี่ยเห็นในขณะปฏิบัติเนี่ยโอ้โหมันร้องอุทานออกมาเลยนะไอความรู้ความเข้าใจมึงน้ำว่าบอกไปว่าโอ้โหเราหลงร่างกายมากกี่กับกี่กันแล้วมันมันมันอุทานมาแรงๆอ่ะโห้ยทำไมหลงได้ขนาดนี้ถ้ามันวางได้โอ้ยเบาที่สุดเลยมันเห็นเนี่ยมันเห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้นะอุทานออกมาเลยอ่ะโอ้ทําไมเราหลงขนาดนี้สลดสังเวชตัวเองที่สุดเลยนะของแค่นี้มันยังไม่รู้เหมือนว่า หนูเห็นไมมัยเวียนว่ตายเกิดมันรู้กี่กับกี่กันแล้วมันว่ะเกี่ยงสงไขแล้วเนี่ยมันเห็นความโง่ของตัวเองเนี่ยมันสลดใจมากมันก็เราก็ไม่ได้ไปคิดเอาไม่ได้ไปคิดว่ามันจะเป็นเวลามันเป็นเป็นของมันเองคือคนอื่นก็จะอาเป็นอย่างอื่นนะแต่ว่ามันจะเห็นเหมือนกันว่ามันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันเห็นความหลงของตัวเองแล้วนี่ไหมมันมันเป็นอย่างเหมือนมันมันมันแค้นใจอ่ะว่าของแค่นี้ทําไมมันไม่รู้อะมันไมเห็นคุณค่าของคําสอนของพระเจ้า คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์มันลึกขึ้นมามันทําให้เราได้เห็นสิ่งเนี้ยที่ไม่เห็นได้จิตด้่ยนะไม่ใช่มาคิดเอานะคิดเอาเนี่ยโอ้ยมันไม่เข้าใจปล่อยไม่เป็นแต่เห็นอย่างนั้นแล้วโอ้ยทํางา น, นก็ไม่ยึดอีกจิตยึดเช่นไงมันไม่ใช่จิตมไม่ใช่เราเรื่องของมันปล่อยวางกายได้ก็ไปวางวิธนะได้ไปด้วยกันปล่อยวางวทนะได้ไปวางกายได้ไปวางจิตได้แต่จิตนี่มันวางไม่หมดอ่ะมันต้องมาตามดูจิตอีกทีหนึ่ง คือที่แรกนี้จิตมันไปมองดูแต่อันอื่นนะจอดูกายบ้างจอดูเวทนาบ้างจอดูจิตบ้างแต่ไอาตัวเนี้มันไม่เคยพลิกกลับมาดูตัวเองได้โอ้หนี้หนี้เราปฏิบัติไปปฏิบัติไปอะพอวางอย่างอื่นหมดแล้วมันมาเห็นตัวนี้ที่นี่ตัวนี้ก็ยังมีอะไรซับซ้อนอยู่นะหล่อหลอกเราโอ้โหกว่าที่จะมาเห็นวาไอ้ตัวจิตมันเร็วกว่าที่มาทันมันได้น่ะอย่าลืมันปล่อยหมดแล้วดีนี่มันตัวสมาธิมันมันลึกซึ้งเข้าไปลึกซึ้งเข้าไป แต่ว่าลึกซึ้งขนาดไหนมันก็ดูได้อะมันไม่จมแบบเก่านะเป็นสมาธิที่ตื่นรู้แต่รู้มันเข้าไปลึกๆมันก็อยู่ลึกๆข้างมัน่ะตามดูกันอยู่งั้นแหละแบบไม่ให้ไม่คาดไปจากสายตาเลยสุดท้ายไอ้ตัวดูนี่แหละตัวการใหญ่สุดท้ายมาทันมาไปจากจิตไปจากตัวดูเนี้ยเราไม่ทันตัวดูนี้โอ้โหมันถ้าไม่เห็นอย่างนี้มันมันมันไม่จบอะพอเห็นก็จบเลยพอจบมันก็ โอ้โหทำไมมันเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยน้มันเหมือนธรรมชาติดันหนึ่งเลยแต่มันก็ต้องผ่านขั้นตอนของมันมาเรื่อยๆเลยเจ้าที่เดียวเลยก็ไม่ได้ทีมกระทบทวนว่าเราเราทํามาอย่างไงเนี่ยเวลาจะมาสอนนะเราต้องเจริญสติสติเบื้องต้นทำยังไงก็ได้ให้มีสติขึ้นมาก่อนเฉลริกรรมก็ได้บางคนก็ดูไปเลยเคลื่อนไหวดูไปเลยดูกายดูเวลาดนจามดูค้าไปเลยมก็แล้วแต่ มันก็ดูกายมึงก็ดูเวทนามึงก็ดูจิตจอเอาไปจ่อเข้าไปบางคนก็บริกรรมให้มันอยู่ก่อนอยู่แล้วก็ต้องมาตามดูขันธ์ห้าอยู่ดีอะมาดูกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละคือมันมันถึงกันอยู่พ้นใครมาก็ต้องเริ่มต้นมีสติตัวสตินี่สําคัญมันมีพราหมณ์คนหนึ่งเป็นฆราวาสชื่อว่าคานากะโมฆราณพรามณไปเฝ้าพระเจ้าที่วัดบุพารามพระเจ้าก็นั่งอยู่ที่ศาลา วัดบุพารามีนนางวิสาขาสร้างถวายพระพุทธเจ้าอยู่เมืองสาวัตถีพุทเจ้าเปิประทับอยู่วัดนี้หกพันษาคู่วัดเชตวันวัดเชตวันมีประทับอยู่สิบเก้าพันษาทั้งหมดอยู่ที่สาวัตถียี่สิบห้าพันษาถ้าเข้าไปในนั้นจะร่มเหย็นมากๆเลยนะไปที่วัดเชตวันวัดบุภารามเนี่ยเขายังหาไม่พบเดี๋ยวนี้ยเข้าลังหาอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนสันนิษฐานกัน กำลังคุ้นคว้ากันอยู่ในประเทศอินเดียแต่ว่านในพัตตพิโดกับพระสูตรเนี้พูดถึงพระนุนเล่าว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ว่าปุพาลามเนี่ยมีพราหมณ์คนหนึ่งเป็นพราหมณ์นักคํานวณไปฝ้องพระพุทธเจ้าพวกพราหมณ์นี่เขาไม่ได้ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาล้มนับถือน่าเขาล้ถืออะไรนะเขาก็เรียกไปอาจจะได้ยิงจิตสามแล้วกระไพรเขาเรียกวท่านโคดมเขาไม่ได้เรียกว่าข่าแต่พวกผู้เจริญนะ แต่ในพระไตรปิฎกของเราเนี่ยกพระพุทธเจ้าข้าแต่โมกยเจริญพวกครามไปถึงนิ่ท่านโคดมก็ไปถึงกันนี่ก็เหมือนกันนะท่านโคดมธรรมดาเนี่ยนะเวลาเราทําอะไรเราก็ทําตามลําดับใช่ไหมเช่นสารานหลังเนี้ยเนี่ยมันก็ต้องทําตามลําดับบางทีดินมันหลวมก็ตอกเสาเข็มทําต่อหม้อตั้งเสาทําทโครงมุงหลังคาต่อมากระเทพื้นต่อมาก็ทํารายละเอียดทําฝาทําประตูหน้าต่าง แม้ข้าพเจ้าสอนลูกศิษย์ก็สอนให้นับตามลำดับเนี่ยเขาก็บอกเร า, า, านับตัหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยเขาก็บอกแล้วท่านน่ะสอนสาวกของท่านสอนลูกศิษย์ของท่านน่ะสามารถลําดับได้ไหมเดีย๋ยวเราส อ, อนสาวกก็สอนตามลาดับผู้ะกะเปรียบเทียบว่าธรรมดาฝึกมา้าเนี่ยเริ่มโดยการเปรียบเทียบกับการฝึกสัตว์เขาก็ต้องทาความคุ้นเคยาากับม้าซะก่อนเสียงกระจุงมันเดินไปเดินมาจากนั้นก็เอาเครื่องอะไรใส่หลังมันต่อมาฝึก มันวิ่งขึ้นบนหลังมันตามลํา ด, ดับพอองผู้เรืองม้าเสร็จมือนก็เราสอนสาวกสอนทำลําดับเหมือนกันถ้ามีผู้ที่อยากจะฝึกอยากปฏิบัติเนี่ยผู้ชาวเริ่มสอนอะไรเริ่มต้นเราจะให้รักษาศีลชีลาวาต้องมีศีลก่อนเพราะคนที่ปฏิบัติทำต้องมีศีลถ้าไม่มีศีลเดี๋ยวเราไปผิดพลาดเดี๋ยวมันมารบกวนจิตเราไปไม่ได้เพราะญาติโยมอะไรชาวบ้านแถวนี้เขา ไม่ได้สนใจภาวนาอะไรมากมายแต่เขามาช่วยวัดช่วยวานเราก็พาเขาทํานิดๆหน่อยๆบางทีมสมาถานี่บางทีมันยังไม่ระลึกอะไรมากมายแต่มันอยู่ในขั้นนี้มันจะทําจิตให้สงบเฉยๆขั้นสมาถานเนี่ยแล้วก็พาเขาอุทิศบุญแทนเมตตาอุทิศบุญให้จิตเขามันดีขึ้นเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยมีมีแถวๆนี้เราถามอ๋อป่วยแล้วทำยัไงไงอย่างเงอยู่คนเดียวในบ้านะอยู่กับพุโทโธเขา่า แต่เขาไม่สามารถจะมาดูกายว่ามันใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราก็ไม่ได้ดูเขาแก้ mm hmm. พกุทโธพรจิตมันออกตลอดแล้วก็คุมจิตไว้มันก็พอให้เขายพออยู่ได้แต่ว่าคนที่จะปฏิบัติจริงจังมีศีลก่อนศีลห้าอย่างน้อยศีลแปดก็ได้ตามตาหน้าของตัวเองต้องรักษาศีลถ้าศีลไม่มีปับมันจะรบกวนจิตพอเริ่มรักษาศีลศีลเนี่ยมันจะทําให้เราสํารวมระวังทําให้มีสติสัมปชัญญะเนี่ยก็ไป็ฝึกสติอย่างหนึง่ง ตัวศีลระมัดระวังอยู่อพอมีศีลแล้วขั้นต่อไปสอนต่อสำรวมตาหูอยู่หมุกดินกาใจคอยระวังเวลากระทบอารมณ์ต้องเอาตอนกระทบอารมณ์เลยนะตอนไม่กระทบอารมณ์มันเมื่อไรอ่ะทบอารมณ์ปับ๊บตึ๊บขึ้นมาในจิตเราถ้าใครทันก็จะเห็นอาคารของมันในเห็นมันเกิดนี่มันดับไปเรื่องราวไม่ค่อยมีถ้าไม่ทันปับ๊บมันจะปรุงต่ออย่างที่ว่านั่นนะสัญญาตึ๊บเนี่ยคือคิดปรุงแต่งไป แล้วไม่ทานความนึกคิดปรุงแต่งก็เป็นเหาเป็นตัวเป็นตนเวียนมาคือมันอยากให้เรามีความสุขเบื้องหลังของมันนะมันต้องการความสุขแต่สุขนี้สุขตามอำนาจของตัณหาอยากให้มีความสุขเพราะหลงว่ามีเรล่าเนี่ยมันมีความหลงควบคุมจิตครอบงำจิตอยู่ความหลงมันทําให้เกิดกิเลสตัณหาเพราะมจะทําเพื่อตัวเรามันไม่ทำด้วยสติปัญญาถ้ามีปัญญาอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำมันจะรู้กํากับจิตมันไม่หลงมันจะไม่สร้างทุกข์ เพต้องสำรวมตาหงจมูกดินกายใจเวลากระทบอารมณ์เราต้ระวังอะไรไม่ควรดูอย่าไปดูเราถึงคิดอยู่ตลอดเลยนะที่นี่มันมันดีอย่างเวลาคนขึ้นมาแล้วมันไม่ไม่ค่อยมีคลื่นอะ่ะมีคลื่นก็แค่ได้โทรศัพท์ไดไ้ไอเน็ตเนะี่ยแต่อะไรไม่มีโอ้เราเบาใจไปเยอะเลยนะก็มีบางจุดที่พอได้บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับมากมายอะ่ะเราค่ออุ่นใจไม่งั้นเป็นห่วงนะเป็นห่วงพระเป็นห่วงโยม พอตรงนี้มันไม่มีเออเราสบายใจได้คนที่ขึ้นมามีโอกาสดได้ปฏิบัติเต็มที่โหการบังคับควบคุมตัวเองนี่ยากมากมี่คิดอยู่ตลอดเลยเนี่ยถ้าาว่ามันขึ้นมันมาเด็ดมันเข้ามาเราจะทํำยังไงต้องมีการตกลงกันนะเรื่องการใช้โทรศัพท์หรือไม่จําเป็นไม่ต้องใช้หรือต้องหาตัวตัดขึ้นไม่ใช้เงดได้มันต้องเอาทุกรูปแบบเนี้นจะให้คนดีเนี่ยดูซี่นี่ไม่ใช่ไปตัดทอนความสะดวกหรืออะไรแต่อยากให้เขาดี รู้อยู่ไอ้พวกนี้ถ้าไปติดไปหลงมันโล้วโอ้ไปอยู่กับมันน่ะไม่มีเวลามาเจริญสติพอจะมานั่งสมาธิไม่มีเวลาแต่เล่นเน็ตรู้สบายมากทำมาเลยไลายบ้าง YouTube บ้าง Facebook บ้างแล้วอะไรก็ไม่รู้เลยนะนี่เราเร า, เ ร, ารู้นี่เราเห็นสามอย่างเพราเราก็เวลาไปสอนไปแล้วก็ดูอยู่บ้างมันมีธรรมะอยู่ถ้าหาว่ารู้จักเอาประโยชน์จากมันมันได้นะธรรมะออนไลน์ก็เยอะคนนั้นคนนี้เออเอามาฟัง เ, ออเขาสอนอย่างนี้เราสอนอยังไงหงนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงสอนถูกสอนผิดยังไงเราก็ได้ประโยชน์พราะเรามาเปรียบเทียบว่าเราเราสอนเอามาเพื่อพัฒนาตัวเองในด้านที่จะทําให้คนได้รับประโยชน์เนี่ยนี่คือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใหญ่สาคัญต้องมีการสํารวมเนี่ยคนที่จะปฏิบัติธรรมก็ต้องนี่แหละที่พระเจ้าบอกเอาไว้ อันที่สามนี่โอ้ไม่น่าเชื่อผู้เจ้าบัวต้องรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารผลทุกคนที่จะมาปฏิบททัติธรรมต้องรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารพอรับประทานอาหารเนี่ยมันมีประโยชน์จริงแต่มันจะทําให้เมาอาหารบางทีรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันแพ้อาหารก็มีทําให้ร่างกายอ่อนเพลีย ก, ก็ได้ง่วงซึมเศร้าก็ได้ไม่สบายขึ้นมาในเนื้อในตัวเราก็ได้แต่ถ้ารับประทานน้อยไว้เบาสบายสติดี ตื่นตัวทำอะไรแค่ค่องว่องไวด้วยแต่จิตมันจะเคยชินกับการรับประทานตามความอยากอิ่มแล้วมันไม่ยอมหยุดมันต้องเอาต่อจนมันเอาไม่ไหวมันต้งจะหยุดนี่ถ้าไม่ไม่รู้จักประมาณมันจะเป็นอย่างนี้แล้วร่างกายเนี่ยมันจะอ่อนเพลียมึนงงสตินี้ทำอะไรไม่ได้ถ้าร่างกายมันทับจิต จิตมันไปจมอยู่กับเวทนาทางกายมึน ง, งงไปด้วยกันเลยสลุมสลือเลยเดินเห่อจะหลับอยู่แล้วบางคนก็มีหาทางออกด้วยนะทําเป็นว่าจะไปนั่งสมาธิคือมันอยากนอนนั่นแหละแต่ไม่กล้านอนก็เลยทําเป็นว่าไปนั่งสมาธินั่งสมาธิก็ต้องเลือกเสาหรือฝานั่งก็ดทิงท้งๆเอนๆเจียดขาไปข้างหน้าศีรษะก็พาดใส่ฝาหรือใส่เสาพอผ่านไปเสียงมันก็เกือ เกอสมาี่ระดับลึกพลังจิตสูงคนเนี้ไม่ง่ายๆอาจจะเป็นนิโรธสมาบัติก็ได้นะบางคนก็คอฟบางคนคอตกน้ำลายยืดไม่รู้ตัวด้วยเสื้อนี้เปียกเลยนะผู้หญิงก็เป็นไม่ใช่มีแต่ผู้ชาย มีแม่ชีคนหนึ่งเขามาที่นี่เเก่งมากเลยนะเขาบอมันง่วงมันง่วงเขามัดหัวเขาเลยนะติดกับเสาแม่มันก้มลงมามัดติดเสาอยู่เป็นวันเลยงนั่งอยู่ไว้แล้นหลาคนรังแกจะสู้รังแกเพราะมันชอบง่วงแก่ว่ า, mm hmm. ามันมีคนได้ต่อสู้เพราะฉะนั้นรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารนี้ทํากัญมากเพราะฉะนั้นผ่อนอาหารดีที่สุด ถ้าใครอยากจเจริญก้าวนาะยิ่งมาระยะสั้นๆอย่างนี้นะผลมันดูมันเลยนี่เคยมีคนหนึ่งมาจากนครปฐมทุกวันเกิดเขาเขาจะมาที่นี่สามวันมาแล้วมองเขาเตรียมตัวมาอย่างดีเลยเนอะเขาบอกเอาไว้เขาจะมาวันเกิดเขาก็มามาถึงตอนรู้สึกเจตื่นเช้าขึ้นมามันมาคุยกันมาถึงตอนเย็นบอกเ อ, าเ อ, าอ้าเจ้ายังไงอาหารมีนะอย่างนี้อย่างนี้ จะสองมื้อก็ได้แต่ว่าที่นี่อ่ะสี่แปดถ้าสองมื้อก็ต้องเก็บอาหารไว้ทางหลวงครัวเขาจะไม่ทำอาหารตอนกลางวันเพราะลงครัวเขาก็ปฏิบัติผมไลยทาอาหารเผื่อเลยใครอยากเก็บก็เก็บอนุญาตเขาผมมือเดียวครับโออนุโมทนาเราว่างนอิน่นะอสงขังจริงจังมากเลยเข อ, อุตส่าห์เสียสละมาขับรุ่นมาจากนคปรปฐมโน่นทีนี้ เราก็ทําน้นัำนนี่ไปตามเรื่องของเราไปเจอกันตอนบ่ายไปเห็นเดินโตเตะโตเตะท่าทางซุมๆซึ่งๆเร า, าเอา้าเป็นยังไงวะ อ, อาจารย์ครับเสียท่าเสียท่ายัางไงก็มือเดียวน่าจะดีโอ้ผมกลัวหิววะผมใส่เต็มที่เลยข้าวเหนียวไม่เคยรับดานข้าวเหนียววะรับทั้งวันเลยพอเจอเเจอกันย่างแย้มให้สุมเขาเสียท่าเลยก็ว่า ปีต่อม า, มามาใหม่โอข่าวนี้เอาจริงเลยเบาเลยเขาปีแรกมีเสียราไดร่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารฮัลโหลสอนต่อไปอีกอันที่สี่ต้องเพียนเพื่อให้จิตตื่นเขาเรียกว่าชาคิยานุโยคะชาคิยานุโยชชาคิยานุโยคหมายถึงการทําความเพียนเพื่อให้จิตตื่นเขาเรียกชาคิยานุโยกอันนี้ถ้าสมัยก่อนนะถ้าเป็นพระนี่นะบวชมาปั๊บในธรรมวินัยของพุทเจ้า เขาจะสอนเลยเพอตื่นเช้ามาต้องไปบินธบาตต้องหากินในปีแข่งไปบินธบาตกลับมาแล้วฉันตาตาอาหเสร็จทําความสะอาดเสร็จต้องลุกเดินโยงกรมเดินโยงกรมก่อนแก้นก็นั่งสมาธิเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ต้องเดินโยงกรมแล้วนั่งสมาธิต่อเนื่องต่อมาวิื่อถึงเวลาทาคอวัดทำคอวัดปฏิบัติไปแล้วพระเจ้าก็ไปถึงปฐมยามคราวนี้ครานี้พูดถึงตอนกลางคืนแล้วเดินโยงกรมนั่งสมาธิ หัวค่ำไปถึงสี่ทุ่มนี่ก็เรียกว่าปรมยามยามต้นสี่ทุ่มไปถึงตีสองอันนี้มาชี่มายามให้พักค่อนสี่ทุ่มไปถึงตีสองอันนี้หมอเขาก็แนะนำนะว่าคนนอนเนี่ยถ้าพรกผ่อไม่เกินสี่ทุ่มหรือไม่เกินสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยร่างกายเนี่ยจะแข็งแรงคล้ายๆระบบร่างกายมันมันพอดีกันยังไงก็ไม่รู้ตอนสี่ทุ่มประมาณแถวๆเนี้ยตับพวกเครื่องในอะไรในร่างกายว่าย่อยในร่างกายจะทํางานก็ว่าหมอเขาแนะนําให้พักผ่อ ทั้งหมอไทยแล้วก็หมอปัจจุบันนะอันนี้เขาทดลองกันมาอเดือนนี้เราก็พยายามควบคุมพยายามนอนตามเวลาที่เขาแนะนํารู้สึกร่างกายดีขึ้นแต่ก่อนไม่สนใจอ่ะปล่อยสบายๆแล้วแต่จิตจีมันตื่นก็ตื่นตื่นต่นไปพอมันชะลาภาพขึมาเนี่ยโอรู้สึกสุขภาพชําเป็นก็เลยเริ่มทดลองดูว่าเออแต่ก่อนก็เคยทําอยู่แต่ตอนหลังบางทีมันก็บางช่วงก็ปล่อยมันสบายๆว่าจิตมันตื่นมันอยากหลับตอนนั้นก็ปล่อยมันหลับไปตื่นขึ้นมาก็ นั่งสมาธิอะไรไปฟังธรรมะไปแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มทดลองพอดีมันเป็นละลอกหรอไวรัสด้วยแพร์ไวรัสเนี่ยมันอยู่ในตาถ้าช่วงไหนนอนดึกๆึกนี่สังเกตดูไวรัสมันจะขึ้นเจ็บตาต้องหยอดยาก็ลองทดลองสร้างภูมิทันทา น, ทานขึ้นมาออกกําลังกายด้วยแล้วเขาพยายามเทียจนอนรักษาสุขภาพดูทดลองเพรา ะ, ะนี่ชาเฮียนโยกเห็นไหมครัว่าต้องเพียรต่อเนื่องปัจจิมยามคือตั้งแต่ตีสอง ไปซึงสว่างก็ให้เดินโยกรมนั่งภาวนาอันนี้วิทยาสอนพระนะเพราะหน้าที่ของพระในสมัยพุทธเจ้าก็คือเนี่ยปฏิบัติธรรมเพียงปฏิบัติจิตของตัวเองเพราะถ้าปฏิบัติจิตจิตมีสติสติควบคุมจิตได้ควบคุมจิตได้จิตมันเข้ามาอยู่ข้างในอยู่ข้ในก็ฝึกต่อไปให้มันตั้งมั่นตั้งมั่นก็เห็นความจริงมันจิตมันเข้ามาอยู่ข้างในแล้วก็เห็นอะไรเห็นกันหน้าเห็นกายเวทนาจิตทำเห็นกันหน้าเห็นกันหาจิตเนี่ยมันมีกำลังมันก็จะเป็นผู้ดู อย่างอื่ก็เป็นสิ่งถูกดูบ่มันก็ดูเห็นเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็รู้สึกขึ้นมาได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเกิดดับก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นสุดท้ายก็กลายเป็นญาณรู้เกิดความรู้ความว่าใจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับมันทะลุเข้าไปในจิตทะลุออกมาข้างนอกในธรรมชาติรู้ในจิตแต่ว่ามันเข้าใจธรรมชาติหมดมันก็ลึกซึ้งอยู่ข้างในทีนี้ความรู้อันนี้มันไม่ลืมอ่ะแบบมันอยู่ในจิตอ่ะบางคนก็ไม่ได้รู้ว่าเรารู้อะไรแต่ว่าจิตมันวางได้ เวลากระทบอารมณ์นี่คนอื่นอู้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างน้อยจิตพระโสดาบันจิตผู้ที่เห็นความเกิดดับได้ระดับคนได้มาตรฐานของมันหรือเห็นมริคผลครั้งแรกเนี่ยคนอื่นเป็นทุกข์มันไม่ทุกข์แบบทุกข์เบาบาง่ะพราะว่างราเปรียบเทียบว่าคนที่บรรลุพระโสดาบันเนี่ยมุตุชนทั่วไปทุกเท่าภูเขาแต่พระโสดาบันทุกเท่าขี้เล็บโอ้เจ้มันน้อยลงมาเยอะเลยเพราะความไม่มีตัวตนไงมันไม่เอาตัวตนออกไปรับสิ่งเหล่านั้นเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดดับ นี่พระโสดาบันนะเจทุกเท่าขี้เล็บะคนทั่วไปทุกขนาดไหนพระโสดาบันเนี่ยทุกมันนิดเดียวเพราะฉะนั้นใครอยากให้ทุกน้อยลงไปต้องปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละไม่มีทางอื่นหรอกจะไปหวังโอ้ยได้เงินเยอะๆหลงได้นั่นได้นี่จะมีความสุขหลงแล้วไปยึดสิ่งเหล่านั้นยิ่งทุกใหญ่ขึ้นไปอีกหนักหลงประเด็นเลยหลงเลยตอนแรกอยากมีความสุขถ้าได้เงินแล้วที่แรกได้เงินก็ตื่นเต้นเอามีความสุขหน่อยได้เข้าประอาหารนานเข้าไปยึดชิดว่าเงินคือคําตอบ หาเงินทุกขนาดไหนก็เอาไปคดไปโกงกันฆ่าฟันกันก็เอาดูซิเนี่ยมันหลงขนาดนั้นเลยนะแต่พระโสดาวันจะไม่หลงแบบนั้นคนอื่นเป็นทุกข์โอ้เราเห็นเป็นธรรมดาไปล่อยวางได้ทุกน้อยลงไปทุกขนาดที่เจ้าไม่ตรงแล้ลกหมกมไม่นมนมีอ่ะที่จะไม่ไปเอาไวยาภูไม่มีตรงเนี้ยสัญญามไม่ไม่คิดขึ้นมาไม่เอามาคิดมันก็ไม่คิดไปมันหยุดหยุดในจิตได้ระดับหนึ่ง ถึงว่าท่านโมนเป็นผู้ที่นรกสิ้นแล้วเปรตสิ้นแล้วสัตว์เดิลฉานสิ้นแล้วปิดประตูไบายาภูมิได้หมดแล้วเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเบาทัน ท, ทีเลยเป็นผู้ที่ไม่ตกต่าเป็นธรรมดาหมายว่าต้องถึงวันิพันธ์แน่ๆต้องเป็นบรรลุพระลานแน่ๆถ้ม่เกินเจ็ดชาติเจ็ดชาติในี้หมายว่าเป็นเทวดามนุษย์นั้นเพราะนั้นต้องเดินอยู่คุมนั่งภาวนาเอาแล้วถ้าเป็นโยมล่ะโมเท่าที่ได้มีบางคนก็เหมือนกันนะเนี่ย วันที่เราไปเดินทางไปหาหมอในวันที่สิบแปดไปแวะปัดปีกไม้เขาเคยมาที่นี่เขาเคยนิมนต์ไปก็เลยบอกเออจะไปหาหมออยู่อย่างแวะดูนาะไปยิงเขานิมนต์ไปฉันานก็แวะไปดูกันเขาทําร้านอาหารและมีดีสอรที่พักอะไรด้วยมีห้องประชุงในนั้นเขาแวะเข้าไปเขาก็ชงกาแฟอะไรมาให้ฉันสนทนากันนิดหน่อยเขาบอกเขาเดินจงกรมทุกเย็นเออเราทึ่งเลยนะกับสามีกับภรรยาอยู่แบบสมาถะ ทำร้านอาหารเล็กน้อยพออยู่ได้ที่อยู่ที่อาศัยก็พอมีชีวิตยอยู่ได้แต่ว่าเขาเดินจงกรมนั่งพอนะ่ะทุกวันเขาวะทุกเย็นมีโอกาสก็ไปวัดฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะฟังซีดีธรรมะดีใจไหมครูบาอาจารย์ไปเยี่ยมหากล้วยหาข้าวมะพร้าวสวนเขาเองก็ว่าเอามาใส่รถให้เราบอจะเดินทางไกลอยู่ไม่เป็นไรใส่ได้เขาวะหุนขวายเอาข้าวใส่รถ เอามะพร้าวใส่รถเอากล้วยใส่รถทางเราไม่มีต้นกล้วยหรอกว่าที่เขาเนี่ยต้องเกี่ยวเยอะเอาว่ะเออคนมีบุญก็อย่างนี้เนาะมีโอกาสก็ทําบุญมีพระสงฆ์องค์เจ้าผ่านไปก็เดินจงกรมนั่งวานาปฏิบัติบูชาดําเนินชีวิตไปก็พยายามอยู่ในแนวทางของธรรมะเดินตามทางของภูตเจ้ามีปัญญาสามีแบบนี้มันเจริญค่ายาช่วยยกกันขึ้นมาเดินไปตามทางของภูตเจ้า แต่าสามีบัญญาคู่ไหนเขาไม่ได้ จ, จมลงไม่ได้ดึงกันออกไปนอกรูนอกทางน่าเสียดายอย่างน้อยเรายังไม่พร้อมที่จะเดินทางคนเดียวเอ๋อมีคนที่ร่วมกันช่วยกันคิดช่วยกันดึงกันจูงกันไปมันก็ดีะแต่ถ้าจิตมันเข้มแข็งแล้วมันไม่พึ่งใครพึ่งตัวเองสุดท้ายก็ต้องมาปฏิบัติเองทั้งหมดนี่หมายความว่าในสังคมเราในโลกของเราก็มีอยู่เมื่อคนที่เอ ถึงจะเป็นฆราวาสญาิโยมก็ไม่มีเวลาที่มาเดินโยมคุมนั่งภาวนาต่อเนื่องเหมือนพระก็พยายามจะควบคุมตัวเองให้ได้ปฏิบัติในรูปแบบบ้างเพื่อสติเราจะได้ดีส่วนข้อที่5้าก็ยัสอนต่อไปให้มี ส, สมติสัมปชัญญะทุกเรียบบทสัมปชัญญะไม่ว่ารู้ตัวเวลาเอบดเล็กๆิดน้อยเดี๋ยวใช้แรงขวาดื่มกินพูดคิดจับนั่นจับนี่ของน้ำห้องสวมอะไรทุกเรียบบทอะเราก็ใช้หลักว่าให้ถือว่าเราปฏิบัติธรรมทุกเรียบบท ไม่ว่าทําอะไรถือว่ากําลังปฏิบาาัติธรรมถ้าใครทําได้อย่างนี้โอ้สุดยอดเลยนะชีวิตเนี่ยกับธรรมะเป็นเดียวกันเลยงานก็ได้ทำก็ได้ดําเนินชีวิตไปจิตแจงเข้าใจธรรมะมากขึ้นมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าใจความจริงปล่อยวางได้มากขึ้นจิตสูงส่งขึ้นแสดงว่าคนนั้นต้องมีบุญมากทีเดียวแต่าบางทีมันฐานะเรามันก็ไม่พร้อมไปอยู่วัดบางทีกับบางวัดข้างนอกดูว่าเป็นที่ปฏิบาาัติธรรม พอเข้าไปข้างในอะไรก็ไม่รู้ลุงลังไปหมดเลยเคยมีคนเข า, าบอบ่นในฟังเขาว่าเฮ้ยเข้าไปแล้วมันไม่ใช่เขาว่าผิดหวังมากเอาลูกไปปวดด้วยพอเข้ามาที่นี่เขาบอกว่าเออดีไม่รู้ดีจริงหรือเปล่านะเขาอาจจะพูดต่อหน้าเราก็ได้เนี่มีสติทุเรียบหมดเขาใช้คําว่าอธิษฐานการงานหมายว่าอธิษฐานว่าการงานนี่เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วจิตจะเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยเลยนะเนีย่ยขอให้เราเอาใจใส่เราพยายามของเรานี่แหละจะชา้า จ, จะเร็วช่างมันเถอะค่อยๆปฏิบัติไป เป็นฆราวาสมันดีอย่างหนึ่งความอยากมันไม่มากตอนนัตมาเข้ามาปฏิบัตินู้นความอยากมันมากจริงจริงเลยนะมันจะเอาท่าเดียวเลยอะก่อนจะมาบวชทบทวนทบทวนตัวเองอเออเราเข้าใจไหมหลักธรรมองค์ยอดเข้าใจเป้าหมายชีวิตก็เข้าใจวิธีการปฏิบัติรู้เข้าใจฆราวาสเราก็เคยไปปฏิบัติไปอะไรมาเรียบร้อยแล้ะถ้าอย่างนั้นตอนเรียนหนังสือเราเคยวางแผนเมื่อจะเอาเกจอะไรคะแนนเท่าไหร่อะไรเงี้ยทํางานก็วางแผน วันนีเ้เจ้าสองท่านจะทํำยังไงยังไงจะได้เออวางแผนได้เพราะมันควบคุมตัวเองได้ทีนงเราก็บอกเออถ้าอย่างนั้นออกบวชแล้วปีเดียวเอกพอหลานบวชวางแผนเลยนะว่าจะเอาพอหลานปีเดียวผมมาปฏิบัติจริงๆโอ้โหปีหนึ่งยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะสองปีสามปีก็แล้วอรู้นินดๆหน่อยๆได้แค่ความสงบได้แค่สมาธิปฏิบัติเองด้วยครูอาจารย์ไม่ค่อยมีอ่ะไปอยู่ตามป่าตามอะไรปฏิบัติไป ที่แรกก็อยู่ในสำนักสำนักก็ไม่ได้คำตอบพอพอรู้วิธีปฏิบัติต่อมาก็เพียนไปกำลังไม่พอหันเส้นได้มาทําให้จิตมีกําลังเพียนต่อเนื่องแล้วก็อดทนด้วยเพราะต้องการกําลังของจิตแล้วก็ให้ปัญญามันเดินไอเวทนาผมก็ดีอย่างนะพอมันเจ็บขึ้นมาเนี่มันโมมันสอนตัวเองหน้าดูเลยนะไจิตเนี่ยสักแต่ว่าเวทนามไม่ใช่ของเราไปยึดทําไม พู้เจ้าสอนยังไงโอ้มันสู้กันน่าดูเลยเออเราก็เลยจิตมันมันมันหมุนตัวจากนั้นพอมันมันรู้เรื่องเข้าใจแล้วโอ้โหมันไอ้เวลามันมีปัญญามันอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมันลึกซึ้งมากไอ้ปัญญาที่มาอบรมจิตเล็กๆน้อยๆโอ้ยไอ้นั่นมันปัญญาขั้นต้นๆเอาปัญญาคนอื่นมาสอนจิตเพื่อให้มันสงบลงไปแล้วก็ว่าบางทีก็ยัมาสรุปเป็นมักเป็นผลโอ้มันยังห่างไกลนะ แต่ถ้วจิตมีกำลังนะเอนไปด้วยแล้วมันเห็นไปด้วยวางไปด้วยทิ้งไปด้วยกายก็อยู่ของมันอย่างเงี้ยกายกับจิตไม่ใช่เดียวกันเห็นชัดๆอย่างเงี้ยต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยจิตก็เห็นด้วยไม่ใช่เรามันเห็นได้เนี่ยรู้สึกได้เห็นกายไปเห็นเวตาเห็นเวตาเห็นจิตเห็นธรรมไปพร้อมกันหมดเวลามันเห็นชัดๆยิ่งเห็นวิญญาณศักด์สเนี่ยทุกข์คือยังไงไม่มีเราทุกข์สภาวะทุกข์ปล่อยวางทุกอย่างทุกข์ให้กําหนดรู้นี่ว่ามันเป็นอย่างนี้เองไม่มีเรา เห็นทุกชัดเจนเหตุแห่งทุกเกิดไม่ได้มันเห็นไปพร้อมกันเลยทุกดับไปอย่างจีก็เป็นนิโรธอาศัยมรรคปฏิบัติปฏิบัติก็คือเราเนี่ยจิตของเรามันเห็นนี่นแหละคือมรรคมันเป็นอันเดียวกันไปหมดเลยพรรมะของพระพุทยเจานี่อริยสัจสี่เห็นนี่มันมีกําลังมันเห็นตอนไม่มีกําลังโอ้ก็คิดว่าเราเนี่ยพินาศตายลักอยู่ตลอดแหละอะไรมาก็มายืด เกิดแล้วก็ดับปล่อยวางใช่เรายอมรับมันมันยอมรับในพระเต่หลักเกิดแล้วก็ดับผ่านมาผ่านไปมันก็เห็นได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่มันปล่อยวางได้ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ตอนนั้นของเรานะ่ะมันจิตกำลังมันไม่ถึงก็เลยใช้วิธีนั่งเจ็บปวดสู้พอวางมีทอะไรมุกมาดูกายดีโอ้ขานี้ยมันชัดเยนดิ้น เป็นดินน้าเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟจิตเป็นจิตอะไรโผลมาเห็นเห็นทิ้งวางปล่อยไม่เอาอะไรเลยทีนี้ไม่เอาไม่เอาทิ้งเนี่ยคันตน้ตนๆนี่ก็เริ่มทิ้งแล้วเริ่มปล่อยแล้วปล่อยวางปล่อยวางดูเฉยๆดูเฉยๆเนี่ยเวลามีกําลังอยูอยอยอยอย่ดูเฉย ๆ, ฉยๆปล่อยวางก็เห็นคันห้าชัดเจนไม่มีอะไรก็ดูเนี่ยดูกายามันจะดูเป็นรูปกายแต่มันลึกซึ้มเข้าไปม่เห็นเป็นดินน้ํำลมไฟ ตอนที่มันห ย, ยาบหอยู่ก็กายไปก่อนลมก็ลมไปก่อนลึกซึ้งเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปลมก็มีแค่อาการไหวๆ ไ, ไม่ได้มีอะไรไม่ได้บอกว่าอะไรเป็นอะไรจ่อเข้าไปจอ่อเป็นไอ้หมดเห็นเพราะเวลาปฏิบตัติเราถึงไม่อยากไปพูดอะไรมากมายให้ไปปฏิบตัติให้มันเห็นเพราะว่าปัญญาจริงๆต้องเห็นด้วยตัวเองแต่ขั้นต้นในสติสําคัญอย่างที่พุทธเจ้าสอนสอนเรื่องสติทั้งนั้นเลยศีลมีศีลก็มีสติสัมปชัญญะ มันระวังรู้จักสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลากระทบไปลงก็ใช้สติจะประมาณในการพวกอาหารทําสติให้ต่อเนื่องเดินโยกมมนั่งติดต่อกันนี่ไม่ได้พูดถึงสมาธิเลยนะเนี่ยทำให้จิตตื่นเนื้อช้ายันโยกต่อเนื่องมีสติสัมปัญญทุกียบทที่เวลานั่งสมาธินานข่าวนี้พูดเรื่องนั่งสมาธินะทีนี้ต้องข้ามนิบด ใครนั่งแล้วหลับซึมไปไม่รอดเพราะนิวร์มันงคอบงาจิตความง่วงความซึมครอบงำจิตจิตไม่มีกำลังเพราะใครง่วงซึมมีเราสอนเลยเริ่มจะนั่งปับ๊บต้องเตรียมพร้อมจะรับมื อ, อยังไงเวลามันง่วงมันซึมทุกครั้งบอกไว้อย่างนี้เลยแถมมีไม้เตรียมไ ว, ดวไ้ด้วยตีด้วยตีแล้วมันยังไม่หายง่วงหายซึมตีแรงขึ้น ตอนหลังไงคนมาปฏิบัติเลยความซึมน้อยลงบางคนก็บอกนะเขาบอกหนูละคอยฟังเสียงว่าอาจารย์เดินมาหรื อ, อยังกขาบอกเออก็ดีมันก็ตื่นดีอ่ะบางคนบอกผมละคอยคอยสังเกตกลิ่นกินเวลาอาจารย์เดินมาเนี่ยมันจะมีกล <c oughs> ิ่นแสดงว่ากลิ่นเรามันจะแรงชอบ <c oughs> ก้ น, นกินจีวรเขาว่าอย่างนั้นแสดงว่ามันมีกลิ่นพิเศษของมันอยู่นะ ได้กินและระวังเวะบางคนก็ฟังเสียงส บ, บงมันเสียดสีกันดังเวลาง่วงต้องรับมือหนึ่งตั้งยังไงเวล า, ามันง่วงเราจะทํำยังไงสอนตัวเองสําหรับเ ร, เราใช้วิธีว่าถ้าใครบริกรรมต้อมือิกรรมให้เร็วให้แรงถ้าดูก็เพ่ง ก, กระตุ้นความรู้สึกตัวดูให้แรงขึ้นแล้วก็เตือนจิต ด, ด้วยว่าให้มันบอกตัวเองว่าระวังระวัง มันจะมีความรู้สึกระวังขึ้นพยายามแยกจิตออกมาจากตัวซึมจิตกับความซึมมาเช่นเดียวกันจา น, นมันจะสู้กันได้รับมือกันได้แต่ถ้ายังไม่หายหาอุบายอื่นส่วนใหญ่ก็มักจะบอกอุจัยให้อุบายที่พระพุทธเจ้าสอน่าโมคลันะคนเวลามันจะหลับมันจะ ล, ยลอยๆหน่อยจิตฮะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าดูขนโมคลันะสัญญาใดทาให้ถึงง่วง ให้เธอเพ่งดูสัญญานั้นเราจะดูตุ้งของตัวซึมหรือว่าดูตัวอะไรที่มันทําให้ง่วงให้ซึมถ้ายังไม่หายท่านใดพิจารณาธรรมะนึกเรื่องราวอะไรที่มันทให้จิตตื่นถ้าไม่หายให้ชารัยทำถ้าไม่หายก็ทําจิตให้สว่างกลางวันเป็นกลางคืนคืนเป็นกลางวันไม่หายให้ลืมตาและทิ้งออกกําลังกายละในนั้นเขียนในพระธรรมวิบเขียนไว้ด้วยว่าให้ปั่นหูสองข้าง นึกถึงคนไก่เลยนะสมัยเป็นเด็กร้านตัดผมทุกร้านจะต้องมีคนไก่ปั่นหูลูกค้าโอ้ยร้านไหนปั่นหูดีๆลูกค้าติดพอจะตัดผมนึกถึงแล้วปั่นหูนี่ซีซตร์เลยนะมันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วมั้งหรื อ, อยังไงก็ไม่รู้เราไม่ได้ตัดผมนานแล้วนี่มันเท่าไหร่เราดิซับหมานิกายเจ็ดพันศา รรมยุติอีก28ิดสมสบห้าแล้วเนี่ยสามิบหวันทาแล้วไม่ได้ตัดผมมิแต่โกนก็เลยไม่รู้ก็ยังปั่นหัวอยู่หรือเปล่าออกกำลังกายลืมตาอาบน้ำอาบท่าถ้าไม่หายริงๆก็เดินยงกม้มสุดท้ายเดินยองก้มแล้วไม่ไหวมันจะหลับอย่างเดียวแสดงว่าร่างกายต้องการการพักพ่อละให้นอนนอนก็ไม่ใช่ตูมลงไปเลยนะนอนต้องนอนในท่าเสียญาตกํ า, า, าหนดจิตตัวเองว่า รู้สึกตัวจะลุกขึ้นนอนตื่นเดียวแค่หลับไปปุ๊บหลับนิดเดียวตื่นมาต้องต้องลุกโอ้โหพระเจ้านี้สุดยอดจริงๆเลยนะแสะดงว่าให้ความสำคัญการปฏิบัติธรรมสูงมากเพราะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยหรือมาวัดเนี่ยทำเล่นไม่ได้แล้วเพราะพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญมากสั่งเสียสั่งสอน ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นเวลาปฏิบัตินั่งสมาธิต้องข้ามนิวรณ์ได้เมื่อข้ามนิวรณ์จิตตั้งมัน่นเนี่ยคราวนี้มันจะเลอยอย่างอื่ไปหมดละตั้งมั่นไหมว่าจิตเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นจะรู้จิตจะมาที่นี่หมดไม่ว่าใครจะปฏิบัติแบบไหนจะต้องมีลักษณะที่จิตเป็นกลางตั้งมัน่นอะไรเกิดขึ้นไม่มีที่พ้นต่อจิตจิตไม่ถล่มเข้าไปกาหลงไม่ไหลไปกาหลงจิตแน่วแน่เป็นกลาง อะไรเกิดขึ้นจะรู้นี่ก็ขึ้นอยู่กับกำลังของจิตบางทีก็มันจะสอนจิตไปด้วยอบรมจิตไปด้วยพูดกับจิตไปปลอบโยนจิตปลูกจิตใจให้กล้าหานให้เข้มแข็งก็แล้วแต่เพราะมันขึ้นอยู่กับจิตของแต่ละคนแต่ถ้าจิตมันมีกําลังยิงแล้วมันจะดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยเลยนี่กําลังมันเป็นอย่างนั้นมันจะไม่ต้องสอนไม่ต้องอะไรแล้วดูเข้าใจไปด้วยเข้าใจไปดูไปเข้าใจไปวางไปด้วย แต่เห็นเกิดดับแล้วมันจะวางของมันเองถ้ามีนิวรณ์มันจะครอบงำจิตมันจะไม่เห็นอะไรถ้าคนที่ปฏิบัติใหม่ๆบางทีมันอยู่ในขั้นสมถะสติคุมจิตได้แล้วจิตมันก็จะลงไปพักก่อนอันนี้ก็ไม่เสียหายนะขั้นต้นนี่นะแต่ถ้านานเข้า น, านั้ น, นเข้าเป็นปีเป็นปีแสดงวติดละจมละแก่จิตตัวเองไม่ได้ละติดสมถะติดสมาธิ ปัญญาไม่เดินมีต้องหาทางให้จิตมันพิจารณาให้มันดูพินาณาจิตสอนจิตให้จิตทำงานให้ได้บางคนจริงๆเอาจิตมาเคลื่อนไหวไปตามร่างกายกันนีผมคนเล็บฟันหนังปุ๊บนี้ให้จิตมีกําลังทั้งนั้นเอาเหมือนเอามีดมาสับร่างกายฟันแยกแยกายแยกอะไรออกไปคือวิธีไหนทาให้จิตมันตื่นรู้มีกาลังทํบางคนเอาจี้ตามจุดต่างๆ ของเราเคยใช้ก็คือเคลื่อนจิตไปตามร่างกายแต่ทําไม่นานน่ะทําแล้วมันก็หยุดของมันเองก็ดูของมันเองได้ช่วงแรกๆก็ทําอยู่จากนั้นก็ไม่สนใจมันไม่ทําเพราะมันเลยขั้นตอนของมันแล้วอันนี้สําหรับข่าวว่าต้องข้ามนิวนนิวรณนแล้วจากนั้นก็จิตตั้งมั่นแล้วก็มาดูให้มันเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงถ้ามันเห็นความจริงแล้วพระเจ้าบอกว่ามันจะวางของมันเอง เมือเดเอาขนไก่ใส่เข้าไปในไฟมันจะหดตัวของมันเองจิตถ้าเห็นความเกิดดับของลูกของนามจิตจะหดตัวเข้ามาหาจิตเองเพื่อความเป็นอิสระมันจะปล่อยตัวของมันเองให้เป็นอิสระไม่จิตเนี่ยมันส่งกระแสะไปยึดอะไรแล้วยิ่งจิตของเรามันปล่อยวางอารมณ์ข้างนอกได้มันจะเบาส บ, บายโลงง่งโปร่งเบาสบายเวลาเป็นสมาธิเนี่ยอุจจาระปัสสาวะหายหมดเน่าแปลกจริงๆเลยนะ เรานี่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันบางทีเป็นคนที่ปัสสาวะบ่อยๆแต่พอถ้าได้นั่งสมาธินี่ไม่รู้มันหายไปไหนสัตปัสสาวะแต่ถ้ามันทนไม่ไหวก็ไปปัสสาวะแต่บางที่สมาธินี่มันปรับมันปรับระบบของมันได้วันนี้ได้พูดถึงว่าอร่างกายอันนี้มันเป็นของที่มันเกิดแก่เจ็บตายสุดท้ายมันต้องตายต้องทิ้งเราทาความเข้าใจมันเสีย แล้วก็อาศัยร่างกายที่มันยังมีชีวิตอยู่นี่แหะให้มันเกิดประโยชน์เกิดเถืองมากๆประโยชน์สูงสุดก็คือธรรมะปฏิบัติธรรมะได้ฟังธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะนี่ประเสริฐสูงสุดเลยคนที่มาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะนี่จริงเนี่ย ว, ว่ามีบุญมากมีบา ร, รมีมากถึงวันสาคัญมันก็หยุด บางทีมก็หยุ่ต่อเนื่องบางคนก็อยากไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้พักผ่อนไปแต่คนที่มาวัดเนี่ยมันได้คุณค่าทางจิตใจไปเที่ยวนู่นที่นี่กลับมาแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยใช่ได้ไปเฉยๆคือคิดแบบโลกกับคิดแบบธรรมมันไม่เหมือนกันธรรมะมาเห็นคุณค่าของจิตใจเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าการที่จิตเรามันสุขมันทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่จิต ธรรมชาติมันจิตมันจะไหลไปกับอารมณ์เพลินไปกับอารมณ์หลงอารมณ์ฝึกสติก็ควบคุมจิตเข้ามาจิตเป็นสมาธิก็ฝึกจิตให้มันตั้งมันให้เป็นสภาพทรรตามความเป็จริงมันจะปล่อยวางนี่หลักธรรมมันก็มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงจิตเราเนี่ยไม่จิตมายึดติดของอลัยแม้แต่ร่างกายมันต้องตายจิตใจเป็นแค่นางมาทำนางมาทำไม่นด้มีตัวตนอยู่จริงไอ้จิตเนี่ย มันความหลงนี่มันเป็นหลงจิตไอตัวจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งธรรมชาติอันนี้มันคิดได้เหมือนจะมีตัวตนแต่ไม่มีเป็นธรรมชาติเป็นนามธรรมคําว่านามธรรมาหมายว่าไม่มีตัวตนสัมผัส ด, ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้สมา ด, ด้วยภาษาทั้งหไม่ได้ไปดูไปคําไปจับมันไม่ได้จับต้องไม่ได้แต่ยิ่งเวลาปฏิบัติตามพระเจ้าระบบของพระเจ้ามันสามารถมีสติคุมจิตคุมจิต พอจิตเริ่มเป็นสมาธิมันเห็นเห็นจิตได้จิตนิ่งจิตสงบจิตว่างจิตเฉยจิตคิดจิตนึกจิตปรุงจิตแต่งเนี่ยมันเห็นอาการของมันนี่เธอธรรมชาติของมันเป็นอย่างเนี้ยคิดแล้วก็ดับเนี่มีตัวตนจริงไปทําหน้าที่รู้อารมณ์รู้แล้วก็ดับทำหน้าที่จดจําอารมณ์ก็จําแล้วก็ดับปรุงแต่งอารมณ์ปรุงแต่งแล้วก็ดับรู้สึกขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับฝ่าจิตเนี่ย นามาทำมีแต่ของเกิดดับแล้วตัวจิตจริงๆ จ, จิตจริงๆเลยนะเป็นเรารู้ลมพัดมันจะปุ๊บเข้าไปสูว่ว่าังเกิดดับปับป๊บปั๊บปับับเหมือนกระแสไฟฟ้าตับตับปั๊บปั บ, ปบมันจะเป็นเราได้ยังไงเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราไม่เห็นเราก็หลงจิตว่าเป็นเราให้ร่างกายนี่มันพออนุมานได้เนี่ยก็ยังหลงขนาดนั้นดูสี่ไปเผาศพคนตายเท่าไหร่สัตว์ตายเอามากินเป็นอาหารไม่รู้เท่าไหร่คิดไม่ออก ใครสามารถสอนจิตจิตมันเชื่อได้ว่าเออตายจริงตายจริงตายจริงโอ้นปล่อยเบาเบานีแค่นี้ก็เบาแล้วแก่นมันอยู่ตรงนี้ไงเข้ามาหากแก่นดีแก่นธรรมะของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสติมันยังจําเป็นเพราะมันต้องข่มจิตให้ได้ซะก่อนไม่งั้นจิตเรามันจะไหลออกไปไหลออกไปมันก็ไปกลมกลืนกับอารมณ์ไปคุกเข่ากับอารมณ์ทั้งหลายอะ่ะมันไม่เห็นจิตเห็นแต่อารมณ์คนที่คิดมีความคิด เรงนั้นเรื่องนี้นีน่แหละมันหลงอารมณ์เพราะปล่อยจิตจิตมันไหลออกไปไปอะไรมันก็ไปคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งน้ำมันครอบงาจิตอีกทีหนึง่งจิตก็มีแต่ความคิดมันไม่เห็นจิตเห็นแต่ความคิดความคิดก็ไม่เห็นโดวยวิ่งตามมันทุกไปตามมันลุ่มร้อนไปตามมันเศร้าโศกเสียใจไปตามมันไม่ได้มีอะไรเลยหลงอย่างเดียวมันก็เป็นทุกข์โง่อย่างเดียวก็เป็นทุกข์ นี่แล้วเอาจิตหยุดจิตได้เอาเอาจิตกลับเข้ามาแล้วให้มันตั้งมั่นขึ้นมาให้มันพร้อมอย่าให้มันจมให้มันตื่นแล้วมันรู้อะไรมาปุบเห็นเกิดระดับเกิดระดับเอาม่ามันมองดูล่างกายปั๊บสัมผัสดูกายเอาจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งมันก็รู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเออไม่ใช่ของเราทิ้งทิ้งร่างกายปล่อยเวทนาทิ้งปล่อยสัญญาสังขารวิญญาณมาปล่อย เบาเบาเบาไปเรื well, nee, ่อยๆสุดท้ายก็เหมือนกับปล่อยวางก็ได้หรือทิ้งก็ได้ไม่เอาก็ได้ไม่มีเราก็ได้เคยที่คําพูดนี้มันสื่อไปที่สมารถธรรมมันก็เลยพูดยังไงก็ได้ให้จิตมันเข้าใหญพอให้จิตมันปล่อยวางได้พอจิตไม่เอาก็ได้ทิ้งก็ได้ไม่มีอะไรก็ได้ไม่เอาอะไรก็ได้ว่างก็ได้ว่างก็ได้ว่างเปล่าก็ได้ ที่เริ่มต้นจิตจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีเรามันเป็นธรรมชาติอันหนึง่งหรือจิตเดิมแท้เนี่ยจิตเดิมแท้คือเป็นธรรมชาติอันหนึง่งเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึง่งต่อมาธรรมชาติอันนี้มันมีอวิชชามันจึงหลงๆว่าเป็นเราหลงเป็นเราความหลงหนานแน่นขึ้นมาจึงต้องอาศัยธรรมะคำวคิจิตรสอนจิตที่หลงให้หายหลงจิตมันหลงก็ต้องมาสอนจิตก็คือให้มาเห็นความจริงว่ามันไม่มีเรามันเกิดมดับ อะไรโผมาให้มันปล่อยให้มันวางจึงต้องอาศัยวิธีของพระพุทธเจ้าเท่านั้นในศาสนาอื่นไม่มีนี่พระเจ้ารับรองอย่างนี้อันนี้เป็นทางของพระเจ้าโดยตรงเลยเนี่ยพระเจ้ารู้ความจริงว่าในธรรมชาติเนี่ยพระเจ้าอุบัตขึ้นมาก็ตามไม่หวัดขึ้นมาก็ตามสัพเพสั่งฆาราอนิจา่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงเที่ยงไม่ได้เปลี่ยนแปลงสัพเพสั่งฆาราดุฆานี่ก็เปลี่ยนแปลง อันหนึ่งเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังอันหนึ่งก็เป็นอนิจังก็เปลี่ยนแปลงไปสัพเพมานาตาทำทั้งหลายเป็ น, นานตาแล้วก็ทุกอย่างอาศาัยกันเกิดขึ้นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างจิตของเราอย่างเงี้ยกระทบอารมณ์ปั๊บมันจะมีเวทนาขึ้นมามีเวทนาปับ๊บมันจะอยากได้สุขเวทนาเกิดปิณฑนา ปัญหาบ่อยขึ้นปั๊บเป็นอุปทานยึดไว้เนี่มันอาศัยกันเกิดขึ้นหรือตาไปเห็นอะไรปั๊บมันชอบใจขึ้นมาเพราะอาศัยการเห็นก็เกิดการชอบใจขึ้นมามันมีเหตุปัจจัยแล้วมีผลตามมาเขาเรียก่ามันอาศัยกันเกิดขึ้นทีอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าพราะองค์จะอวบัตขึ้นก็ตามไม่อวบัติขึ้นก็ตามมันมีอยู่แล้ว เพราะเราจะไปหวังว่าให้นู่นนี่ที่อย่างแท้แนนอนได้ใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ต้องยอมรบความจริงว่าเกิดแล้วก็ดับเปลี่ยนแปลงทนอยู่ได้ยากก็เป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เราแต่แรกเป็นอนัตตาคาว่าอนัตตามันมีอยู่นะแต่มีอยู่แบบที่เรียก ว, ว่าไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้มีอยู่ชั่วคราวไม่ได้อยู่ตลอดไป ว่าหน้าตาไม่ใช่ไม่มีมีแต่ว่ามีแบบไม่ใช่ตัวเราบังคับบัญชาไม่ได้มีมีอยู่ชั่วคราวเป็นธรรมชาติของมันแต่สิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้จริจรงๆเนี่ยก็คือถ้าพระเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วจึงจะมีอริยามรรคมีองแปดเนี่ยเมียยสัตสีเนี่ยเพราะนั้นยสัตสีเนี่ยมันจะเป็นธรรมะของพระเจ้าทุกพระองค์จะสอนเหมือนกันหมดอ่ะสอนให้รู้รยะสัตสี บอกทางไห้ก็คือมรรคนั่นแหละปฏิบัติแล้วมาดูทุกทุ ก, กเหตุแห่งทุกจนทุกดับนี่ว่าเรามาทำความเข้าใจการปฏิบัติทำความเข้าใจแล้วข้าวนี้ก็สติควบคุมจิตทำให้จิตตั้งมัน่นตั้งมั่นแล้วก็เอาจิตมาดูความจริงเห็นความจริงทำมันเห็นแล้วมันต้องปล่อยต้องวางยึดไม่ได้หรอกปล่อยมันวาง ยิงแตมันเห็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันยึกทิ้งทิ้งไปเรื่อยทิ้งไปเรื่อยไม่มีอะไรไม่เอาอะไรนี่จิตมันเหมือนยิงวางไปเรื่อยวางไปเรื่อยวางไปเรื่อยในสุดท้ายมันวางจิตไม่มีอะไรเพราะดั้งเดิมมันเป็นธรรมชาติอะไรตัวจิตมันคือเดียงตามธรรมชาติท่านบอกว่าจิตเดิมแท้จิตดั้งเดิมไม่มีอะไรเป็นอะไรนู่นน่ะนี่ปัญญาของเราทะลุไปถึงนู่นเลย จิตดั้งเดิมจิตเดิมแท้ของแต่ละคนเนี่ยไม่มีอะไรเป็นอะไรมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติความหลงมันยิงว่ามีเราเป็นเราขึ้นมาคราวนี้ก็ต้องไม้มันเห็นว่าไม่มีเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปล่อยให้มันปล่อยให้มันวางให้มันทิ้งไปถ้าความรู้แจ้งอันนี้มันพอมันทิ้งกันดีเลยเวลามันทิ้งเนี่ยมันจะ มันเหมือนกับจิตมันเป็นของมันเองอยู่แล้วคล้ายๆอย่างนั้นน่ะเนี่ยมันก็แปลกอย่างหนึ่งนะเหมือนกับว่าโอ้ยมันเป็นของมันอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยมันถึงว่าเราไปคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดไม่ได้มันจะต้องถึงของมันเองเป็นของมันเองให้มันปล่อยของมันเองมันก่อนได้ฟังซีดีนี่แหละมีพาอง์หนึ่งบอกว่า เหมือนกับพูดถึงครูวาชา์บอกว่าจิตระเบิดมันไม่มีในพระไตรพิดกถ่าบอกอ้าวองค์นี้มันมันคนที่ปฏิบัติเนี่ยจิตระเบิดเป็นยังไงคืออะไรมันเข้าใจทันทีเลยนะคือจิตมันปล่อยวางกําลังสมาธิมันมากมันเหมือนระเบิดเนี่ยแค่ฟังปั๊บมันมีสภาวะลงแล้วมันก็ฟังเข้าใจบอกโอบอกว่าปล่อยวางแล้วก็คือจิตมันมันปล่อยบอกโอวะมันดับก็คือเรื่องเล่าทั้งหลายมันดับไปจากจิตจิตก็เป็นจิตอย่างอื่นก็มันดับไปมันอันเดียวกันหมดเนี่ย หรือบางคนว่าจิตมันสลัดออกมันขึ้นอยู่กับกำลังของจิตมันขึ้นอยู่การเห็นภายในจิตเห็นแล้วรู้สึกยังไงตีความมุมมาอย่างไงแต่สภาวะธรรมันเดียวกันจิตระเบิดก็คือจิตที่มันปล่อยวางแต่มันปล่อยวางความรู้สึกมันแรงหน่อยเพราะสมาธิคนนั้นกาลังสมาธิมันมากจิตสลัดออกมันเหมือนว่ากําลังมันหลอกลงมามองเห็นมันจิตผักออกไปทิ้งไป มันบอกว่าจิตทิ้งก็คือนี่แหละอาการนี้มันสลัดแต่ความรู้สึกว่ามันทิ้งอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์มันก็เห็นค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยๆในสิ่งแล้วมันก็วางลงไปเหมือนปล่อยวางให้คําพูดนี่มันก็เลยไม่ใช่สิ่งสําคัญ่ะสําคัญตรงสภาวธรรมนู้นแต่เห็นนี่มันต้องเห็นบ่อยๆเนยเห็นจนเด็ดขาดนู่นนะจนในจิตเราไม่มีอะไรปรุงแต่งได้รับรองตัวเองได้จริงๆไม่มีอะไรปรุงแต่งเลย กระทบอารมณ์แล้วเฉยเลยถ้ากระทบอารมณ์ยังเปี้ยงเข้ามายังวัวว่ายังหน้าดำหน้าแดงยังมีอาการโน่นนี่มันไม่ใช่มันแค่ได้เห็นได้เห็นหน่ะงูก็ดีอยู่ได้เห็นน่ะแต่อย่าไปสรุปเมื่อคันนั้นคันนี้ถ้าไปสรุปบางทีมันไม่ใช่แล้วไปสรุปมนันเนี่ยเนี่ยวิ ป, ปัสนากิเลุทันทีเลยหลงเลยเพี้ยนเลยม า, านได้ช่องทันทีมันจะใส่อยู่เรื่อยหลงอยู่เรื่อยคนที่หลงเนี่ย อย่าไปเชื่อมันที่นี่เอาห้หลงให้ได้เราก็เคยถูกหลอกมาอยู่ดีมันก็พ้นพ้นมันว่าเราบอเอ๊ะพ้นยังไงมันกีเดียมยังไม่หมดแต่มันพูดทุกวันจนกระทั่งมันเหมือนก็ไม่มีอะไรไอ้การพ้นนี่เหมือนกับมีพลังมากจิตสงบจิตนิ่งอยู่ตลอดเลยเอ๊ะเร่จะพ้นจริงๆนึกขนาดนั้นเลยนะแต่ไอเราจําได้ว่าเราอย่างมันยังมีกีเดีอยู่เอาจะคอยดูมันกีเลดโพมามเมื่อไหร่เราจะสู้มันได้สิบห้าวัน มันมีอาการตึก๊กึ้นมันในจิตเห็นไหมเบาบา ง, บางจากนั้นมันมาอีกไม่เอาเลยถ้าไปเชื่อวันทีหนึ่งแล้วโอ้โหมันเอาเรื่อยเลยนะคนมันก็อยากพ้นอยากได้เป็นภ ร, ริยาเจ้าอยากได้คันนั้นคันนี้แล้วพฤติกรรมของเราเป็นยังไงอ่ะกิเลสมีไหมในใจเรามั้นมาดูสิความยึดมั่นถือมั่นเบาบางลงไปไหมถ้าเบาบางก็เอาเอาเอา เ, อา เ, อาเยอะๆอยู่ในขั้นเบาบางก็ดีแล้วทุกน้อยลงไปละ แต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นดีเร็วไม่มีอะไรปูแต่งจิตมันยังไม่จบอ่ะมันก็เลยมีมีงานอยู่อ่ะพระเจ้าก็เรียวเสขาบุคคลแค่เป็นผู้ศึกษาเริ่มขั้นศึกษาพระโสดาบันเศรษฐาคามีพระนาคามีพระเจ้าเรีย ว, ว่าเสขาบุคคลบุคคลที่กําลังศึกษาอะเสขาบุคคลนั่นเราไม่ต้องศึกษาแล้วจบจบเลยทํามาถึงตรงนี้ปั๊บมันจะไม่อศัศจรรย์อะไรเลย แต่ก็ชื่นชมว่าเออถ้าใครมีคุณธรรมสามารถปฏิบัติจิตของตัวเองเปลี่ยนจากบุตุชนเป็นพระยเจ้าได้ก็มีบุญมีบรารมีล่ะก็ถือว่าเดินตามทางพระเจ้าได้ดีได้ถูกต้องกอนุมโมทนาเพราะว่ามันเป็นทางที่ถูกต้องประเสริฐที่สุดแล้วงดงามที่สุดแล้วในชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันชื่นชมธรรมะมันชื่นชมธรรมะถ้าลุกพ้นโดยการนี่มันยิ้มในใจนเห็นหน้าปั๊บมันไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ แต่มันพอใจนี่ธรรมะมันเป็นอย่างเนี้ถ้ากิเลสมามันกเออ็เกี่ยวข้องยังไงไม่ได้รังเกียจแต่ว่าเกี่ยวข้องยังไงให้มันได้ประโยชน์ไม่มีโทษเขาได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์เอาละสุดท้ายแล้วนะสำรวมจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายเลยนะก็เห็นว่ามาวัดวันสําคัญ ใกล้วันมาค่าบูชาแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์มีโอกาสก็เลยว่าเป็นผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในผู้ที่ออกพระธรรมประสงค์มาแล้วก็อนมมทนาจริงๆชื่นชมยินดีเหมาสมกับเป็นสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าวันสำคัญวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโองวาทปฏิโมกเป็นวันที่มีเหตุการณ์มหศจิรย์เกิดขึ้นหลายอย่าง ทำใหสาวกของมุตเจ้าระลึกถึงเหตุการณ์อันนั้นพราะมันเป็นธรรมชาติของวิญญาณทุกพระองค์จะต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมีการแสดงโองวาทา ป, ปาติโมกมีกำบรรมาฆบูชาหลังจากตัดสินรูแล้วเก้าเดือนสาวกก็จะต้องมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะเป็ น, เ ป, นเป็นรู้กันด้วยจิตด้วยอานุภาพของมุติเจ้าจะต้องเกิดแบบนี้มันเป็น อะไรเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้านี่มันน่าอัศจรรย์มากนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องเป็นแบบเนี้โอวาทาปฏิโมกก็ต้องเป็นเดียวกันด้วยตัดส่วนเดียวกันสแสดงโอวาทาปฏิโมกันเดียวกันก็คือมันมันแบบฉบับของสาวกของแนวทางของการเผยแผ่ธรรมหรือบรรทัดฐานของธรรมะที่จะเอาไปเผยแผ่กันเรื่อการออกไปเผยแผ่ธรรมตัวยังไงวางตัวยังไง นี่มันจะมีอยู่ในคํำสอนโอวาทปาติโมกันเนี้ยก็เลยเป็นสิ่งสําคัญแล้วทุกวันกึ่งเดือนวันอุวบสถทุกกึ่งเดือนทุกปลายเดือนพผู้เจ้าก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกซ้ําแล้วซ้ําอีกจนยี่สพรรษาประมาณเนี้ยมีพระทุศีลเข้าไปอยู่ในที่ประชุมนั้นผู้เจ้าไม่เสด็จไปแสดงปาติโมกพรโมคันละนะก็เอาผ้าทุ่ศีลออกไปเสร็จแล้วไปอัญเชิญพระ อ, องค์ใหม่พระ อ, องค์บอก ต่อไปนี้เราไม่แสดงอวตารพันธุ์วอกให้สวดข้อสีข่ขาวบุตสู้กันฟังพอมีพระทุศินปับ๊บแมวแล้วโต้มาสวดสีข่ขาวบุตสู้กันฟังแต่ใ น, นสมัยนั้นสวดก็สวดจริงนั้นะสวดแล้วใครผิปกกาาาดปั๊บก็สารภาพสวดปั๊บสาราเดี๋ยวนี้สวดก็เป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีไปฟังก็ไม่รู้เรื่องนิมนก็เสื่อมลงไปเสื่อมลงไปแต่ว่าเราก็ยังเห็นความสําคัญของวันนี้พอมันมีวันหยุดเยอะขึ้นด้วยแล้วเราก็มองเห็น คุณค่าของธรรมะเข้ามาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะพอมีคุณค่าต่อจิตใจของเราเพราะนั้นต่อไปนี้ก็ให้เราสั่งลมจิตใจบูชาพระพุทธเจ้าอูจาพุทธเจ้าเนี่ยบูชาสูงสุดก็คยทําเหมือนไม่มีเราอะพราะวิญญาตัสรู้คือไม่มีเราเพราะฉะนั้นทางลัดสั้นเลยก็คือว่าทําเหมือนไม่มีเราอ่ะทําสบายๆไม่มีเราอ่ะร่างกายก็ของตายอะจิตใจนํา ม, มาทะเกิดแล้วก็ดับไปอ่ะ มันก็เลยไม่มีเราจริงๆให้ความหลงด้านนั้นแนหะมันอุปโลกว่าเป็นเราเป้นมาเราก็ต้องซ้อนจิตเราจิตเรามองเข้ามาข้างในร่างกายประกอบดินน้ําลมไฟเฉยๆเนี่ยทิ้งสุดท้ายไม่มีเราแน่นอนเนี่ยของทิ้งจริงๆด้วยให้พวกที่ประกอบกันเป็นนาำมาตามกายมันก็เกิดดับมันไม่ได้มีเราอยู่ในนั้นแนละ้ยิ่งเดิมแท้ของมันมันเป็นนาำมาตามไม่ได้มีอะไรเลยลูกกับนามมาประกอบกันขึ้นลูกมาใช้นามนาำมาใช้ลูก มันก็เป็นสัตว์เป็นอะไรขึ้นมาเดิมแท้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นอะไรนี่พระเจ้าตรัสรู้คือไม่มีอะไรเป็นอะไรกลับไปสู่ธรรมชาติดั้งเดิมเลยมันก็เลยจบอยู่ในจิตพะผู้ที่เข้าถึงความจริงก็อันนี้แหละไม่มีอะไรเลยจิตเนี่ยความรู้สึกว่าเป็นเรามันดับหมดจิตก็เลยเหมือนเป็นธรรมชาติของมันมันเป็นของมันมันไม่มีอะไรของมันเองจริงๆนี่มันเข้าไปถึงธรรมชาติตรงเนี้มันก็รู้สิว่าเราจบไม่มีอะไร มันก็ไม่ได้เอาอะไรด้วยมันก็มองเห็นความจริงว่าชีวิตก็มีแค่นี้เองเข้าถึงความจริงแล้วก็จบไม่ต้องทุกข์กับอะไรอีกต่อไปไม่ต้องยึดติดข้องอะไรอีกต่อไปเนีย่ยจิงมันต้งปล่อยมันถึงวางมันต้งทิ้งมันถึงไม่หยิบชูให้อะไรมาบีบคั้นตัวเองให้เป็นทุกข์ทีนี้เวลาสอนเนี่ยมันจะไปให้ทิ้งเลยมันก็ทําไม่ได้มันก็ต้องเอพยาพยามีสตินะทําดีนะทําดีจิตใจสบายขึ้นมาแล้วเป็นสมาธิง่าย สติรักษาจิตไว้เป็นสมาธิแล้วก็ฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นนะจิตมันหลงเราขันธ์ห้าเป็นเราเป็นของเราก็ต้องมาทําความเข้าใจให้มันเห็นเห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับนะเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะให้มันปล่อยให้มันวางนะทำให้มันเห็นมันวางไม่เป็นปล่อยไม่เป็นมันเห็นแล้วมันก็ค่อยปล่อยค่อยวางวางกายวางเวทนาค่อยๆวางจิตไปปล่อยวางอย่างอื่นหมดแล้วก็เหลือจิตจากนั้นจิตมันก็าปล่อยวางตัวมันเอง สุดท้ายปล่อยวางตัวเองตัวจิตเนี่ยสุดท้ายเห็นมดไปจากหมดเลยไปจากจิตหมดเลยไม่มีอะไรเลยวางเห็นมายาที่อยู่ในจิตหมดเพราะมันไม่อัศจรรย์อะไรเลยเพราะมันเป็นเรื่องของมายาเป็นเรื่องความหลงกลัวนิดหนึ่งก็เป็นมายาไม่เห็นว่าเป็นมายาไปยึดมายาว่าเป็นเราอยากนิดหนึ่งก็เป็นมายาแล้วทําไมต้องรับประทานอาหารล่ะทำไมต้องฉันอาหารล่ะอันนี้มันเห็นประโยชน์เนี่ยมันรู้ว่าธาตุขันเนี่ยมันต้องการมันจะมีชีวิตอยู่ก็ให้มันไป ตายแล้วก็แล้วไปมันยังไม่ตายก็ให้มันไปปัญญามันก็มีในี่จงถ้าใครบูชาผู้เจ้าได้วางจิตใหม่เลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่เอาอะไรด้วยทิ้งหมดเลยปล่อยหมดเลยมันจะปล่อยได้ไม่ได้แต่เราปล่อยอะปล่อยบูชาผู้เจ้าเฉยๆรู้ผู้เจ้าเนี่ยมันรู้ธรรมตัดสัุ้ธรรมก็คือตัดสัุ้ตรงที่ไม่มีเราเนี่ยหมดตัวหมดตนเราวางได้แค่ไหนเราก็จะรู้ขึ้นมาว่านี่แหละขอบูชาผู้เจ้า อย่างเนื้อก็ทําจิตมันอยู่กับตัวเราทําจิตสบายสบายขอให้ในบูชาพระพุทธเจ้าเป็นการปฏิบัติบูชาสูงเลยมก็กทิ้งหมดไม่เอาอะไรไม่มีอะไรเป็นอะไรสูงสุดล้ะถ้ากําลังมันพอมันจะปล่อยได้จริงเลยไม่เอาเลยเพราะมันเห็นอยู่เห็นแล้วพอปล่อยวางโอ้มันเบาจริงๆไม่มีเราสบายจริงจริงไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆรมันเห็นจริงตามไปแล้วเจจริงแล้วตัวจิตนั่นแหละมันไม่ได้เป็นอะไรเลยตัวจิตน่ะ มันเป็นธรรมชาติมันอยู่แล้วจิตยธรรมชาติมันก็เลยเห็นว่าเออความหลงว่าเป็นเราเนี่ยมันสร้างเรื่องราวมากมายเอาสุดท้ายแล้วจะว่าแทนก็นแล้วกันนะเพราะว่าให้เราทําจิตรับเอาก็ได้จะให้เอาโหสิกรรมนะประมวลเวียนวายใจเกิดในวัฏสงสารมันมีความหลงมากมายนะจ๊เคยผิดบาปลงเกินผู้เจ้กากระดมประสงค์หรือว่าคนนั้นคนนี้ประมวลเข้ามาเราประมวลย่อยๆทีเดียวเลยไม่ไปมากมายอะ่ะสรุปเข้ามา กรรมใดก็ตามที่ข้าพเจ้าเคยผิดบาปล่วงเกินต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อประสงค์ต่อสัตวนน์ยินไดต่อชีวิตยินไดข้าพเจ้าขออโหสิกรรมซึ่งโทษที่ได้เคยผิดบาปล่วงเกินนั้นข้าพเจ้ายินดีหให้อภัยให้อโ ห, อหสิกรรมแก่ทุกชีวิตวิญญาณที่เคยผิดบาปล่วงเกินข้าพเจ้าต่างฝ่ายต่างให้อภัยให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมีประกาศเจตนาของเราให้อโหสิกรรม ขอหสวศีกคำแสดงเจตนาชัดเจนมันเป็นการที่เนียกว่าล้างกรรมปรับสมดุลในวัตถสงสารมันเยอะสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็เยอะถ้าเขารู้เจตนาของเราได้ยินเสียงของเราได้ยินเสียงขอหสิศกคำเขาให้อภัยใหัหศิกคำเบาบางปัญหาลดลงไปแผ่เมตตาจิต ด, ด้วย ทำจิตเหมือนกับมีตาออกไปยังจิตเราเรียกว่าให้แน่ใจว่าเราให้อภัยหมดชาตินี้ก็ตามใครทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจขนาดไหนทาเพื่อใจตัวเองมันจะได้ไม่กั้นสวรรค์คั้นมรรคกัน้นผล่กั้นนิพพานแล้วก็ปณิธานปณิธานเนี่ยทำใจให้แน่วแน่ใครอยากประสบความสําเร็จใจตรงแน่วแน่ ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่ พ, พระธรรมขอมอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่ พ, พระสงฆ์จะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้จริงขึ้นไปจนกว่าจะพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจจะทำจนพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารด้วยเถิดอันนี้บ่อยอ ย, อ ย, ยิ่งดี จิตมันจะหลอหลอมศักยภาพของมันขึ้นมาเองเพื่อจะออกจากทุกข์นี่พระเจ้าปารธนาเป็นพระเจ้าก็อาศัยอย่างเงี้ยย้ำบ่อยๆพูดบ่อยๆเลยพระเจ้าเนี่ยองค์ข้าพระเจ้าปารถนาเป็นผู้เทเจ้าตอนแรกในใจก่อนในใจต้องเจ็ดอสงไขยออกเสียงอีกบอกคนนั้นคนนี้เก้าสงไขยในใจด้วยพูดด้วยในรับพัฒก์กร อ, อีกสี่สงไขยแสนกับแล้วก็อุทิศบุญ รวบรวมบุญต้องการบุญเยอะๆบุญตั้งแต่อดีตนู่นตั้งแต่เริ่มทำจนถึงขนาดนี้หว่วงเข้ามาแล้วก็อุทิศบุญทำความดีทุกครั้งได้อุทิศบุญไปมันเป็นเมตตาชนิดหนึ่งสัตว์บางประเภศเขากินบุญถ้าได้บุญแล้วก็จะสบายเนื้อหนังอะไรของเขามันจะเพิ่มพูนขึ้นมาทันทีเขารังหิวโหยอยากมันก็อิ่มขึ้นมาเสื้อผ้าหลุดลุย่ย มันก็จะสวยงามขึ้นมาเนี้ยอนุภาพมันมีอยู่ในธรรมชาติได้พวกเนี้ยเราก็ให้บุญไป้ให้มันให้บุญบ่อยๆจะรู้สึกได้ว่าไปที่ไหนแล้วสบายให้บ่อยๆเป็นนิสัยอยู่ในจิตเลยเนี่ยไปที่ไหนนี่รู้สึกสะดวกไปหมดอันนี้ใครจะลองทำอะไ้แล้วสังเกตดูด้วยตัวเองเหมือนมีสิ่งรองรับอยู่ตลอดทําอะไรก็ง่ายนอกจากว่ากรรมมันมาขัดกับธรรมดามันก็มีบ้างแต่รวมๆแล้วนี่สบายขึ้นดีขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้น เพราะอะไรเพราทำถูกต้องตามธรรมาชาติพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกที่สอนให้รู้จักอุทิศบุญเพราะท่านเห็นนะพวกยอดเคยเป็นญาติเป็นอะไรเป็นเป็ดคอยรอรับบุญอยู่พระเจ้าเป็นมิศาอย่างเราคนแรกเขาไม่ได้บุญเขาก็าโอ้ส่งเสียงดังสนั้นวันไหวเพราะเขาคิดว่าเขาได้บุญแล้วก็จะไปเกิดเข า, าจะเปลี่ยนแปลงคอยมาตั้งนอนไม่อุทิศบุญในที่นี่ผิดหวังอะไรสิไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าก็บอกวันนั้นแหละ พราะาตเราต้องการบุญก็ทําบุญใหม่อุท่บุญให้เขานี่เป็นเทวดาหมดเลยเปดเป็นเทวดาทันทีหละนี่อนุภาคของบุญมันมีอยู่ใครเห็นหรือไม่เห็นรู้หรือไม่รู้ก็ทำทำตามมุขเจ้าแล้วมันปลอดภัยมันดีนี่ละการที่เรามีาศาสดาที่มีอนุภาพมากๆทาไมเรารู้วิธีเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองและเห็นได้ด้วยแต่บางคนก็รู้เห็นสัมผัสได้เข้าใจได้มันก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีอ่ะมันมีอยู่จริง ความ อ, อนาจพระพุทธเจ้าอํานาจพระธรรมอํานาจพระสงฆ์จงดุลบันดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีต จ, จนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าเจ้ากํานายเวรของข้าพเจ้าให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ในวัดแห่งนี้อยู่ในบริเวณ น, นี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กําลังต้องการบุญอยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูมิเราอยากอุทิศบุญให้ใครเพิ่มเติมเราอุทิศบุญไป อันนี้ก็พ่อหาอุทิศบุญให้ย่อๆเอาวันนี้พอแค่นี้นะ